เอที่ฟังธรรมะนี่มันฟังเพลินฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องฟังไปหลับไปตามเรื่องมันี่ถ้าฟังอะไรที่มันยากจะลําบากสำหรับโยมที่สติยังขึตามันยังไม่เริ่มขึ้นมันจะไม่เห็นเส้นทางแต่ถ้าเห็นเส้นทางฟังเราจะสนุกเฉพาะฟังธรรมแต่จะฟังได้แบบธรรมะเพลิดเพลินเล่นๆหัวๆไปนั่นได้แต่ฟังอะไรที่เลือกซึ่งนี่จะลําบาก กันเหมือนเขาพูดถึงเรื่องหุ้นของนิกเคอิแหนเสงพวกเนี้ยเราไม่รู้เรื่องเลยโดยจนเขาขึ้นลงอะไรยังไงไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ถ้าพวกเล่นหุ้นในตลาดหุ้นเขาจะเข้าใจเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะเข้าใจแต่พวกที่ไม่ไสนก็ไม่นั่นเราก็จะรู้แต่ว่าเลขหุ้นบ้านเรารู้เอี่ย มันคืนพูดธรรมะที่มันายากฟังยากเข้าใจยากดูกายเวทนาจิตทำรู้กายรู้ใจอันนี้ธรรมะที่ถือ <c oughs> ฟังง่ายแล้วนะแต่ว่าต้องมีรหัสเข้าไปหน่อยคือต้องรู้อยู่กับกายระดับนึงจิตมันตื่นสักน้อยแล้วจะฟังเป็นแต่จิตมันไม่ตื่นก็ได้แต่ศรัทธาแต่มันไม่รู้จักเส้นทางของจิต ท, ที่เดินนะ วัวโลสวสติปัฏฐานเรื่องกายานุปัสนาการเลึกรู้อยู่กับกายเนี่ยได้หลักตามหลักเนี่เขาจะวางกรอบของการศึกษาไว้หแบบหนึ่งดูลมหายใจเรียกอนาปาคือในส่วนของกายยคตาสติการเลึกรู้อยู่กับอาการกายเนี่ยมีอยู่หแบบคือดู ก, กายดูลมหายใจสอง ดูการเคลื่อนไหวของกายในส่วนที่หยบหยาบคือการเยนเน็ น, น, น, นะ เ, ยนเดินนั่งนอนยื่นเดินนั่งนอนเขาเรียกว่าอาริยบทใหญ่เขาเรียกว่าอาริยบทปบพปะจำำําคําทั้งศาสนาไว้นะอะริยบทปบพปะ ก็อนาปณะปัปภะปัพภะนี่บ้านลมแผงมาเป็นคําว่าฉบับฉบับลมหายใจฉบับการเคลื่อนไหวไกายส่วนห ย, ยาบแล้วก็สัมชัญญะปัพภะเคลื่อนไหวในส่วนที่ละเอียดรีบทย่อยเพื่อการนะอะโลกิเตวิโลกิเตเหลียวหน้าเหลียวหลังสำ ม, มินทิเตปาสาริเตการคู่การเอียดอวัยวะ อย่างที่เราทำในการคู้การเยียดนวัยวาการลึกลึกรู้เนี่ยการไปขัดชั้นโตวาขัดชามิตินีซินโนติโตการนั่งการยืนการนอนสยาโนการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเขาให้รู้สึกตัวเปทุกอย่างเลยการเดินการนั่งการนอนการกินการเคี้ยวการลิ้ม การนุ่งสบองทรงจีวรการบินทะบาทเนี่ยการระลึกรู้คือถ้าทําถูกบินทบาทก็เกิดการรู้แจ้งได้แล้วตัวสติมันจะเต็มตอนไหนการระลึกรู้เนี่ยธรรมะมันก็ผุดออกมาตอนนั้นมันเป็นธรรมชาติคือเราต้องทําให้จิตมันเป็นธรรมชาตินะเนี่ยไม่ใช่ทาด้วยความอยากหรือทําด้วยความอึดดัดงุนหิตเนตมองไกลๆมองไกลๆดูเพดานด้วยนะ เออลืมตากว้างๆมองไกลๆยกมือดึงแรงสูงๆเคาะลงแรงๆบางทีเนี่ยให้มันเตื่นตัวตื่นเพถึงใจแต่ถ้าหลับอย่างนี้ทำแรงก็เหมือนเดิมนะต้องลืมตาช่วยมันลืมตามองไกลๆตื่นยากตื่นเย็นเนาะที่ิท ต้องการเฝึกคนมาเป็นแสนแสนนะไม่ใช่น้อยรู้นะวิธีว่าจะให้มันหยุดง่วงง่ายง่ายทําทำรู้อยู่นะว่าจะทำยังไงกับพวกเธอนี้แต่กลัวมันรู้แจ้งซะให้มันโง่โ ง, งไปนี่แหละเดี๋ยวมันก็รู้แจ้งหรอกดวงอาทิตย์ขึ้นก็รู้แจ้ง คือถ้าบอกปุ๊บมันก็นจะไม่มีปัญญาฮนะันต้องสังเกตภายในหน่อยดูมันห่วงเป็นเรื่องของตาเรื่องของจิตสังเกตเอามันขยับยังไงอะ่ะเมื่อเราเจ็บเนี่ยเรานั่งอย่างเงี้ยเราเจ็บเนาะนั่งนันที่เราไม่เจ็บนะอีสักพักหน่อยจะปวดพอมันปวดเราจะขยับ นั่งที่แรกเป็นรูปอีกหนมะืาไมันจ็บปวดเป็นเวทนานะเพิ่มพอใจไม่พอใจแล้วจะมีตัวสัญญามาจับมันแล้วคือจะปรุงคือเราจะปรุงท่าใหม่อ่ะนั่งท่านี้มันไม่ค่อยดีจะปรุงท่าท่าอื่นนะนะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องมีวิญญาณการรับรู้เนี่ยนี่มันปกติที่มันชัดชัด เป็นอาเยะวิญญาณและรับรู้ตามความปกติมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็ดับไปสังขารนี้พกปรุงแล้วจะดับปรุงแล้วจะดับปรุงแล้วจะดับตลอดเวลาแต่ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่ดับมันจะปรุงยาวไปเนะวลาจิตเกิดการรับรู้เนี่ยให้มีแต่ปฏิส่วนที่วิญญาณผัสสะแล้วก็จะหายไป จะให้วิญญาณ <c oughs> เปรตผีสิงอะไรนี่เข้ามาล่องรอยอยู่ในใจเราให้ดูกกยนะดูกายวิธนาจิตธรรมยที่เราสวดไปเมื่อวานนะระ ล, ลึกรู้อดียบทนะยินเดินนั่งนอนที่นี่การระลึกรู้เนี่ยบางทีวัฒนธรรมของกันรูปแบบกรรมฐานประเทศไทยนี่จะแคบมาก มีแต่นั่งหลับตาจะอื่นไม่เคยเห็นแล้วแล้วก็ปฏิเสธวิธีอื่นนะแต่ได้สติประฐานสูตรเนี่ยดูกายหกลักษณะนะและลึกรู้อยู่กับอาการสามสิบสองของร่างกายส่วนไหนก็ได้กระพริบตาก็ได้หายใจเล่นๆก็ได้กระดิกนิ้วทำอะไรเนี่ยขอให้รู้สึกตัวนะให้แต่วัดตรงที่มันต้องผ่านตัวง่วงไปได้นะวิธีแต่และวิธีเนี่ย ผ่านตัวง่วงผ่านตัวฟงสัน้นผ่านเลยแต่ไปอยู่ในดูในต่างประเทศในอินเดียในทิเบตในในที่ที่ต่างประเทศเขาชอบอย่างขอ ง, ของทางทิเบตของดาริลามะของอะไเวลาเข้าไปอยู่แล้วเขาเขามีวิวัฒนาการการทําความรู้สึกตัวเนี่ยแก้กับนิวรณ์ราทำได้ดีมากได้หลายแบบ อย่ารู้สึกกับกายเนี่ยเราก็ของเรานี่จะขยับอะไรนะ้อยๆ ม, มันเหมือนมันคับแคบมากการคือใจไม่กว้างในการที่จริ ง, รงเวลาไปดูกรรมฐา น, นที่เขานำเสนอของต่างประเทศเขา อ, อะไรเขาตีลังกาเอาก็มีอ ะ, ะสมถะยิต สมาธิเด่นในอินเดียมันดีก็เขาอยู่กับการตีกลองนี่ระ ล, ลึกรูกนะ้ในจีนเราไปเห็นเนะีกรรมฐานแบบมันก็ทําแบบนี้อืในน้ําเต้าเห็นไหมมันเข้าไปในห้องพระเห็นไหมพระดูหนังจีนเคยเห็นไหมมันจะเป็นอย่งนี้ระลึกรู้อยู่อย่างนี้เฉยๆนะรู้พอแล้วเขาก็เระลึกรูก้ แต่สมาธิเขาจะเริ่มมีแต่ทางเหนือเนี่ยจะมีนับลูกประคำคลิกๆๆๆๆดูไหมเห็นน่ยมันมีแต่พระก็ไม่รู้ว่าแขวนลูกประคำทำไมรูกประคำใหญ่ตัวมาพาดไปพาดมาเหมือนครั้งสังสิตจริงๆเขาให้นับรู้สึกตัวเฉยๆแต่คนมันไม่เข้าใจแล้วบางทีพระจีนเขาจะมีจับไม้เท้าแล้วก็หมุน และลึกรูก้คือให้สติและลึกรู้เองแล้วแต่ใครจะจับวิธีไหนบางคนก็จับรูปเฉยๆแต่ให้สติมันอยู่อันไปแถวเยรูซาเล็มแถวอิสราเอลแถวอะไรเนี่ยพวกมุสลิมเขานั่งอยู่นะเขาจะนับรูก ป, ประคำนะนับรูก ป, ประคำจับดึงรูก ป, ประคำรูก ป, ประคมลูกใหญ่ๆเท่าลูกคิดเนี่ยนับนับนั บ, นบและลึกรูก้มีละเห็นโอ้เขาเขาทําสมาธิ จะเดินสติให้จิตมันอยู่กับปัจจุบัน <c oughs> แต่ว่าบางทีเนียมันจะอยู่ในระดับฌานนี้นอะมันไม่ทะลุไปสู่วิปัสสนาไม่เกิดการทำลายอาสวะจะเรื่องฌานนี่เขาก็มีมาแล้วคือมันจะมีอยู่สาธารณในทุกๆศาสนาเนี่ยมันจะมีเรื่องการทำสมาธิระดับหนึ่งอยู่แต่ว่าการทำให้เป็นอริยบุคคลเนี่ยมันจะไม่มีในศาสนาอื่นการรู้แต่ทาให้สงบนี่จะมี แล้วการทำสมาธิในประเทศไทยเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเห็นเห็นยี่<ด><ด>ทั่วไปบางทีทําผิดนะคือทําแล้วติดสงบทําแล้วให้มันสงบแต่ไม่ได้ทําแล้วเกิดปัญญาปัญห า, ญญาแบบนี้นั้นเราจึงเห็นตุเจ้าองค์นั้นโอ้ทํามันนั้นดีเก่งบอกเลขบกวกเลยอันนี้ยังไม่เข้าถึงธรรมนะยังไม่ถึงเข้าพุทธศาสนาพอมีคนศรัทธานอะอ้าวตั้งตนเป็นตนบุญละอะไรประมาณนั้น ถึิ่งเสียดายเสียดายโอกาสเรามีโอกาสในการที่จะศึกษาพทุทธธรรมเป็นตลวรูปโปร่งแต่ว่ามันก็จะติดอยู่กับบ้นในแห่หนึ่นงติดอดีตเล็กกลาบติดอะไรพวกนีนะ้ติดสมาธิติดพวกนะี้ยส่วนมากก็จะอยู่แบบนี้ท่า น, นเ้าบอกว่าบางพวกปนะิ่งสูบบางพวกเข้าไปอยู่ในป่าแต่มีความป่ารถนาลามกฝึกสมาธิเนี่ยคือคําว่าปรารถนาลามกของของพระพุทธองค์เนี่ย จะหมายถึงพัถนาลาบยศชื่อเสียงนะให้มันมีชื่อเสียงโด่งดังไปอยู่ที่คนน้ําหน้าถือตาเรื่องที่มีพระเกจิจิตไปที่โน้นที่นี้เราก็เห่ตามก้นเห่ไปนั่นเห่ไปนี่ท่านไปก็เห่ไปเห่มาน่าสงสารนะเห่ชื่นชมบรารมีอะไรอยู่อย่างนั้น เราไม่ฝึกตัวเองให้เป็นพระซะเองดีของเรามีนั่งสมาธิสร้างสมาธิแบบหน่อยนึงแต่ก่อนก็อยู่กับอนาปา มันได้มีตาราคัมภีรเนาะคนที่รู้ก็พอรู้สึกวหายใจเข้าหายใจออกแล้วเรืรู้รู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันไม่ช่อยอยู่ก็ใส่คําว่าพุทโธเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธกำกับมีบริกรรมเข้ามาพราะมีบริกรรมแล้วไม่ดูตรงตรงเนี่ยจิตมันจะไม่ค่อยเห็นสภาวะของการเกิดดับของความคิดของอารมณ์ของทุกข์ที่เกิดขึ้นมันไม่เห็นอนิจจังเป็นยังไงทุกขังอันตาในจิตมันเป็นยังไงไม่ค่อยเห็นแต่ไม่ได้อยู่กับสงบพุทโธพุทโธพุทโธตลอดอันนี้มันจะเป็นสมถะ เป็นส ม, มถะส ม, มถะคือทําให้มันสงบเฉยๆมันไม่เกิดปัญญามันไม่เกิดการรู้แจ้งนั่นเขาจึงไม่ไม่นิยมในการที่จะให้บริกรรมแต่บริกรรมนี้ก็ได้อยู่แต่บริกรรมนานๆเดี๋ยวท่างเที่ยวชาญสามปีห้าปีเจ็ดปีแล้วค่อยมาดูนะยกขันท้าขึ้นสู่การพิจารณาหรือการเพ่งกระสินดินน้ําไฟลมทําอะไรก็ได้แบบแบบที่พวกชอบขลังชอบศักดิ์สิทธิ์เขาทำ หรือบางทีก็กพิจารณากายในเน่าเปืออ่อยบุพังมีแต่โครงกระดูกมีอะไรนี่เป็นสมะถะคือพยายามคิดคิดให้มันอยู่กับจิต ท, ที่มันเหนื่อยหนอะ่ะไม่มันคิดไปทางอากุศลแต่คิดอยู่กับกายนีย่เห็นคนก็เออผมขนเล็บฟันหนังอะไรมันคิดเอาความคิดมาทับสมองทับความคิดไว้กลบเขาเรียกว่าการกลบเกลื่อนทางอารมณ์กลบเกลื่อน หรือคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เาเรียกวอนุสติสิบอสุภะ อ, อสุภะสิบอนุสติสิบอาเรปฏิกุลสัญญาหนึ่งกษินสิบคือกรรมฐานสี่ิแบบเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานคือเป็นอุบายในการแก้อารมณ์แต่ไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาจะมีวิธีเดียวคือเรเียนรู้เฝ้าดูกายกับจิตเท่านั้นเอง ไม่ได้เกี่ยวกับการไปเพ่งไปจ้องอยู่ที่ในที่หนึ่งหรืเรลือกลึกงถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นในี้เลือกลึกลงถึงพระพุทธเจ้าหรือพูดโทพูดโธหรือดูพระพุทธเจ้าเพ่งลูกแก้วเพ่งอะไรอดึงพระพุทธเจ้ามาไว้ที่กลางศูนย์กลางกายหวัวใจเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมฐานโบราณแบบที่พุทธเจ้า ว, ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่นะเนี่ยที่ท่านสอนนะท่านบอกว่าไม่ใช่นี่เป็นสมถะนัะ่นแต่เราก็ไม่รู้ พอไม่รู้นี่เขามีสอนที่ไหนก็เห่อไปเรียนนะก็จะเป็นกายเป็นความคิดแล้วบางทีทางเหนือนี่มีระบบสมาธิแบบหมุนสะกดจิตเขาว่าทวนกระแสให้ทวนกระแสทวนความคิดเราดันหมุนหัวทวนเข็มนาฬิกานาฬิกาหมุนไปทางนี้หมุนไปทางนี้ใช่ไหมก็หมุนคืนหมุนไปหมุนมามันหมุนหัวบ้างมันเมาบ้างอะไรมบ้างก็เป็นล้มภพลมพ่ายลงไปเสด็จตายไปเงี้ยเหมือนพี่เสด็จเนี่ย อ้าลงต่ข้อเท้าข้อไหลไม่ค่อยดีะนะมันจะปวดแล้วมันก็ชักกระตุกไเสร็จปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตื่นขึ้นมาคือต้องวางเบาะไว้นะใกล้ๆนะคืออันนี้คือระบบสะกดจิตตัวเองหมุนเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วกระอุปท า, านเยอะมันจะเป็นน่ เขาไม่มีเวลาคิดเลยหมุนมุมนูนมันเข้าไปแล้วจิตก็จดจ่อตรงนั้นน่ะเป็นแบบสมถะคือให้ให้ระลึกรู้แต่อันนั้นอ่ะอันเดียวแต่อันนี้มันกว้างนะนี่นะระลึกรู้กายเห็นความคิดด้วยกายเวทนาจิตทําระลึกรู้ไปด้วยกันมันจะเห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏเกิดขึ้นทุกเกิดยังไงอ่ะสมุทัยนี่รอดมากเป็นยังไงเราเห็นนะแต่อันนหมุนเข้าหมุนเข้าให้เป็นสมาธเสร็จปุ๊บมันถูกจิตมันถูกสมมันกดเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยน้องเพื่นชักกระตุก รู้สึกขึ้นมาก็อ้าวมันสบายขึ้นมาก็จะอยู่ประมาณนั้นก็นึกว่าอันนี้คือคือธรรมะของพุทธเจ้าจริงๆไม่ใช่อ่ะแต่ในสังคมเรามันไม่มีการตรวจสอบไงว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือสมบัตาอะไร พ, พ, พิพิัิพิาแต่พรพิพิพิพิอิพิพิพิพิัิพิพิพิพิพิพิัิพิพิพิพิพิพิพิพรพิะิพแบบิพ like ิพิพิพิพิพิพิบิพิพิพิพยพิพิพ บางทีทําสักหน่อยถ้าทําสมาธิแบบนี้เนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์ในจิตคนระดับหนึ่งแล้วทําให้เกิดศรัทธาน้อมเชื่อน้อมใจเชื่อว่ามันมีสบายอย่างนั่งเคยเห็นลูกแก้วเอี่างเคยจะมีลูกแก้วคิดเอาเห็นไหมลูกแก้วกลางกายเห็นไหมข้างซ้ายข้างขวามียมทมูตถือหอกสามงาม้มเห็นไหมเราคิดตามก็เห็นเห็นเห็นไปนเรื่อยๆตักอย่างไม่ใช่ของเราอ่ะ มันขยับแขนแล้วมันติดเพราะจิตเราหนิ่งเขาจะเอาละทีเนี้ยท่านทาั้งหลายนั่งหลับตาให้ดีๆทำใจให้ว่างสบาย ทุกอย่างไม่ใช่ของเราสร้อยคอไม่ใช่ของเราท่านทั้งหลายจนถอดออกมาซะทําบุญบริจาคไว้ในพุทธศาสนาฝังซับในแผ่นดินเอามารวมลงในกระทะเราจะหลอมเป็นพระตรัวลูกผิดติดในองค์หมหาเจดีย์ท่านทั้งหลายจะได้สบายชัหน้าตายไปเกิดมาชนี้ที่ยากจนเพราะท่านทั้งหลายไม่ได้ทําบุญทาทาน มันจะเข้าประเด็นดีๆ น, นะจิตแล้วก็เคลื่มตามเคลื่มตามในที่สุดเบากับบ้านนะแต่ไม่ใช่เพราะปีตินะเบาเนื้อเบาตัวเพราะหมดตัวนะมันจะคนละรูปแบบเห็นทันทีที่สาธุร น, นสุขของกระทรวงไปไปฏิวัติวัดสมณัติหลวงตาพูดเลยในเะกหัวราใหญ่ผมหมดตัวมาแล้วเกเบาออกมาทันดีเลยเกใช่ของแก คือเราไม่รู้ไงแล้วมันก็ถูกสะกดจิตคล้อยคือพูดได้คล้อยตามก็คล้อยตามเพราะเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ตัวเองเนี่ยเขาให้รู้เรื่องอื่นเราก็เลยรู้ตัว อ, อื่นแหละน ะ, นะมันยากเอาไปมาก็ไหลไปตามกระแสไปนั้นเลยนคนโง่กับคนฉลาดมันไในมันเยอะในโลกเนี่ยคนโงน่่นมันเยอะนะ ท่านเวยลยงบอกว่าคนโง่นี่เหมือนขน โ, ขโ ค, คนขนควายอ่ะพูดจะง่ายกว่ามั น, นขนควายแต่คนฉลาดเหมือนเขาควายเขากับลนั่นไหนเยอะขนนะเขามันมีสองเขาเองนะนะมันจะน้อยๆอย่ะมันก็จะไหลไปนะทำกระแสบางทีก็เพ่งดินน้ำไฟลม เวลาเห็นปรากฏการณ์อะไรสักอย่างก็เกิดพึงพอใจตั้งตนเป็นเจ้าละทิเจ้าตนสอนธรรมะเลยเราก็จะเห็นนั่นปรากฏการณ์แบบนี้นี่ถ้าเราจิตเราอ่อนแอแล้วก็ไหลไปตามกระแสโอ้คนนั้นเป็นยังไงนะคนนี้เป็นยังงี้หรือบางทีก็เป็นธรรมะตลกออกอากาศสักบางทีอา้าสนุกสนานเพลินเพลินหัวเราะแล้วได้อะไรจิตใจเข้มแข็งกันไหมสามารถสลัดทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้อ่ะ เวลาทุกมาในแก้ไขไดเนี่ยมันแก้ไปไม่ได้แต่ว่ามันก็ดีกว่าในหน่อยนะดีกว่าให้จมอยู่กับความคิดไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีทุกอันแต่ว่ามันไม่ใช่สัจธรรมอ่ะพูดมไม่ใช่มรรคไม่ใช่วิธีการเข้าถึงสัจจสภาวะแต่วิธีการกลบเกิืนเป็นจิตหรือวิทยาไม่ใช่พุทธศาสต์ปัญหาพอจะทําเป็นพุทธศาสตร์ก็เป็นสมถะซะ เป็นอุบายให้ใจสงบท่าแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเงี้ยแล้วคุณพระรัตนตรยัยพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารคานุสติเทวตานุสติเนี่ยจะลึกถึงคุณถึงศีลถึงอะไรเป็นสมถะนะอสุภะสิบก็เลยเลึกถึงพอมีสมาธิระดับหนึ่งก็จะมาเพ่งกายนี่ให้เห็นกายนี่ไวยงามแบบนั้นแบบนี้นะ มีนะมีความสบกไหลออกจากทวารทั้งเก่าตาหัวจมูกลิ้นกายนะทะวาร น, น้อยทวารใหญ่ไหลออกเสื่อมตลอดเวลามองอะไรก็เป็นความเสื่อมให้ไม่เป็นสมาธิพอสมาธิมันสู่ใกล้ๆจะเป็นอัปปนาสมาธิปุ๊บนะก็เอามาเพ่งดูกายมาเพ่งดูจิตว่าทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดจากความคิดนะหรือเปล่าเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเริ่มต้นก็ดูที่ความคิดเลย ลัดตรงไปเยคือกว่าจะเป็นสมาธิมันยากเพราะจะามาดูปุ๊บสมาธิมก็หลุดปัญหามันแต่ถ้าเริ่มที่สติระลึกรู้เลยเนี่ยไม่ต้องผ่านตัวสมถะแบบแบบสมถะแบบฌานอันเนี้ยแต่รละลึกรู้อยู่กับปัจจุบันให้มันเป็นญาณปัญญาอันเนี้ยทําให้มันเกิดญาณคือระ ล, ลึกเลยเลยดูเลยดูกายรู้ดูกายเห็นกายดูความคิดก็เห็นอย่างตอนเช้านี่นี่วรธรรมมีอะไรบ้างอะเป็นอุปสรรค มันเกิดขึ้นบรรดับยังไงเห็นมันะทิ้งมันไปมันคิดปุ๊บเห็นปุ๊บทิ้งปุ๊บเห็นปุ๊บพระพุทธเจ้าแตสรุ่นที่ท่านมีความรู้มากะท่านศึกษามาเยอะท่านเจ๊มแน่แจ๊งหลวงพเทียนเนีๆๆ่ยท่านไม่มีความรู้ท่านไม่ได้อาารร่านหนังสือภาษาไทยไม่ได้ไม่ออกนั้นรู้ยังไงท่านก็มาบอกเลยโอ้ยเห็นความคิดแล้วก็ดับความคิดดับไปดับมาทําอยู่วันเดียวก็เกิดการรู้แจ้งถึงที่สุดทุกทุกมันไม่เกิดอีกเลยอ่ะมันไม่มีเลยในใจท่านก็บอกตรงตรงแค่นี้ ฉันมันจึงจึงไม่ผ่านภาษาเนี่ยสัยจธรรมไม่ได้ผ่านภาษาที่ลึกลับซับซ้อนก็เข้าใจง่ายนะไม่ต้องมียานสิบหกยานสิบแปดยานสามสิบอะไนยานอะไรไม่ต้องออกมาพูดกันเพราะมันมันเข้าใจยากแล้วมันเหมือนอทําให้ผู้รู้เนี่มีสถานะอีกแบบหนึ่งผู้ผู้สอนเนี่ยแต่ผู้ฟังเนี่ยเดินตามไม่ได้แต่นี่มันง่ายง่ายน่วงชนมาเลยดูมันเล ย, เ, ลยเบื่อนายก็ดูมัน รู้สึกตัวอย่างเดียวอะไรประมาณนั่นแหะคืออุเบกขาทำนั่นแหละเฉยกับความคิดจะเข้าไปในความคิดเห็นแล้วปล่อยวางก็เป็นสังขารูปเปกขายานนะเห็นมันเกิดขึ้นก็เห็นเห็นมันดับไปพยายามให้มันดับมันเป็นนิจจังทุกอยงเป็นสัมมาสนญาณนะสัมมาลุกปัสนานญาณเห็นตามความที่มันเป็นจริงวันเกิดยังไงดับยังไงดูคือมันมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วะเพียงแต่เราไม่เอามาพูดเรื่องแบบนั้นท่านี้ ให้แค่นี้เดินไปกัให้รู้สึกตัวก็อบอก ว, ว่ามีสติอยู่ทุกริบทจะยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไว้หายใจกับพี่เต่าและลึกรู้อยู่เรื่อย ๆ, ๆแต่บางคนเดินไปแล้วจะไปจ้องดูความคิดแต่จ้องดูความคิดมันจะเมอ น, นหัวเพราะว่าสติไม่พอเหมือนเหมือนเรามีกำลังน้อยแล้วไปกดหัวผู้ใหญ่เนี่ยเด็กมันมากดหัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดันขึ้นมาเนี่ยลุกตูมเลยนะ แต่ถ้าผู้ใหญ่กําลังมันแข็งแรงแล้วไปกดหัวเด็กเนี่ยตายเลยนะเด็กนั่นนะเหมือนกันสติเราต้องฝึกเยอะๆสติมากๆแล้วไปกดความคิดคือไปข่มมันเนี่ยตายพอดีเลยความคิดเนี่ยนะพอเห็นมันปุ๊บมันจะดับไปมันเหมือนนางอายพอเห็นแล้วมันจะมวนเข้าเห็นแล้วจะม้วนเข้านะแต่นี้เห็นความคิดความคิดก็ยิ้มเยาะเราลุกขึ้นเธอทาล่าเข้ามาเหยียบหน้าเราบางทีตบหน้าตบซ้ายตบขวานะกีดีตมันตบเราอะ่ะ ความง่วงความเหงาเนี่ชนเราละเนรนาศไปเลยเพราะอะไรเราไม่ได้คิดนั่นแต่ก่อนท่านทั้งหลายจะเคยคิดหรือว่าความง่วงเป็นกิเลสไม่เคยไปปฏิบัติทำตามวัดตามว่าก็เอาตามส บ, บายนะญาติโยมบุญใครบุญมันหนอยก็นั่งหลับไปหลับมางุ่มง่ามไปตามเรื่องนะพระสองฆ์องเจ้าท่านนั่งชั้นบนโยมอย่าลืมตานะถ้าลืมตาละบาดนะ น, น, อ น, อ น, น่ะจนโน่นนนั่งไปาูท่านว่า สมควรแก่เวลานน่นแหละ <c oughs> ค่อยๆออกจากสมาธิก็คืออ้าวโยมกาลังง่วงกาลังเหงาสติมันไม่ดีอ่ะอยู่ๆะให้มันออกได้มันออกไม่ได้หรอกเราไม่รู้ว่าง่วงเป็นทุกข์บางทีพระผู้นั่งข้างบนเนี่นะลืมกินกาแฟมามาพายโยมนั่งแทนที่สองทุ่มจะสมควรเก็บเวลาเลยไปถึงสี่ทุ่มน่นนะ <c oughs> มีเสียงโกลนเกิดขึ้นด้วยที่นองหา สมควรเก็บเวลาเหมือนกันนะสีทุ่มกนะ็โยมก็หัวเราะนะบางทีเอ้ยหลวงพ่อทำไมไม่พาว่าสถีนะวันนี้ก็เลยไอก็มีนะโยมบางคนมันเมื่อย น, ะ <c oughs> นี่นะท่านก็นมองัาแล้วังบาปนะโยมมีแต่กลัวบาปเราเนี่ยการตรวจสอบมันเลยไม่มีไงนะ นั่นบางคนโอ้ยทำยังไงก็ได้หรอกกรรมฐานสี่สบแบบสี่สิบแบบไปศึกษาดีๆนะมันไม่ใช่พุทธพจน์นะมันเป็นเรื่องของข้างนอกนะเมื่ออะไรก็ตามที่เราเลึกรู้อาการกายเนี่ยกับอาการของจิตดูกายกับดูจิตเนี่ยคือคือจริงๆเราก็เข้าใจน่ยว่าจริงๆธรรมะเนี่ยมันเกิดที่กายกับจิตมันทุกเนี่ยเราก็มาเฝ้าดูนี่ไม่ใช่เราไปเพ่งไปจ้องไปอะไรสักอย่างข้างนอกฮนะกระสินสิบเนี่ย ไม่ได้ดินน้ําไบลมอาโปเตโชวาโยไม่ต้องไปยุ่งกับมันอ่ะอันนั้นไม่ต้องไปหาอะไรรูปแบบที่หลากหลายมันทุกตรงไหนดูตรงนั้นกิเลสตัณหาเกิดได้เกิด ท, ที่ความคิดเหรอเกิดที่จิตก็ดูที่จิตนั่นเองมันมงงนีดูดัดขัดเครื่องอะไรขึ้นมาดูมันตรงนั้นอ่ะดูตรงนั้นถ้าดูยังไม่พอมันไม่เข้มแข็งเล็กรู้อยู่ปัจจุบันให้เข้มแข็งเยอะๆก่อนอไม่ต้องเอาใจไปฝากไว้กับเรื่องอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้กรรมาฐานมันจะแปลกออกมาเรื่อยๆนะ คือแตกออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยๆแล้วนอกตัวไปเรื่อยๆนะมันไม่ใช่สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่สติมันไม่ได้ลึกรู้กายกับจิตดูกายก็เห็นเมตนาเห็นไม่แล้วนั่งนานๆก็เห็นเมตนาดูจิตก็เห็นเมตนาทางจิตก็คือเห็นมันคิดนั่นเองดูกายก็เห็นเมตนาทางกายดูจิตก็เห็นความคิดนั่นแหละมันเป็นธรรมชาติก็ประมาณนั้นเราก็มาเลื่องลื้ออยู่กับปัจจุบันนี่มันคิดแต่ก็รู้มันไม่คิดก็รู้นะ ดูมันที่เฉยเห็นมันเกิดดับยังไงดูไปไดเรื่อยแต่วิธีบางทีเราดูดูแต่ตอนก่อนนอนแล้วกหลังตื่นนอนนี่นี่หน่อยมันไม่พออันนั้นไม่พอเหมือนกับการต้มน้านี่แหละต้มวันละนาทีร้อยวันต้มทุกวันนะปีหนึ่งสามร้ยหสิห้าวันต้มทุกวันวันละหนึ่งนาทีเดือดไหมเดือดไหมมันไม่เดือดสามร้ยหกสิบห้าวันวันละหนึ่งนาทีมันก็ไม่เดือดขยันจังนะทุกวันวันละหนึ่งนาที แต่มาต้มห น, นึ่งวันนี่สามร้อยหกสิบห้านาทีนี่เดือดไหมเดือดเหมือนกันแหละเรามาทําจริงทําจังเจ็ดวันเนี่ยคือจะมาทําให้มันเดือดเลยเอาจริงเอาจังมันตายเป็นตายอ่ะเป็นยังไงเนี่ยต้มให้มันต่อเนื่องเลยนั่นเขาบอกว่าจเจริญสติให้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับตาลงเราจะพูดจะคุยกันตั้งใจเลยลึกลูก้งเอามันม่วงม่วงก็ลุกงเอาไม่ยั่ไงมันจะไม่ออกจริงจริงกี่เดืตัวเนี้ยมันหนาจังอะ่ะะ ลูตาเห็นคนเขาไปเดินจูมที่วัดป่าโสมพนันนะเห็นโยมลูตาโอ๊ยทำไมโยมไม่ง่วงเนาะที่ไหนแล้วแกจับผมแค่ใจ ย, ยาวๆเนาะเหมือนคุ่น้อยอจับไม่ล้วมันง่วงตกเส้นผมนะผู้หญิงนะลองลอ ง, ลองทำดูนะจับกำไว้มันง่วงกระชากผมกระชากผมะมันจะไม่ง่วงหรอกแต่นี้มันไม่ได้มิ่จะเสยขึ้นน่นนะหอ้โอ้ ย, อยกลัวเส้นผมเล่นเส้นหนึ่งขาดลน่นแทบจะช็อกตายละคนนะมันห่วงไง เนี่ยมาคนเวลามันง่วงนะโอ้โหสยัดก็ไปในรังมดแดงต่างหากเนี่ยคือเขาเด็ดขาดไงไอ้เ น, นี่ยพขาสู้คือตั้งการจิตแบบนั้นที่สู้เนี่ยกินเองมันจะกลัวนะแต่ส่วนมากเราจะหาแต่ทางหลบทางเลี่ยงจิตอะเ น, นี่ยมันก็เลยไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าเช็ดหูเช็ดตาเลยฝืนอยู่บ่อยๆมันจะไปไหนซะทั้นคนจริงจริงนะ มันจริงจะเข้าใจพุทธิย้าสู้ไปสู้มาอยู่หกปีจนถึงมาเห็นทางโอ้ทางนี้นะี่เนาะพอทาปุ๊บ ก, ก็เข้าใจอะไปดูพระในทิเบตทิเบตมันหนาวมากนะทิเบตมันอยู่หลังคาโลกหายใจก็ลำบากตื่นมาในห่มผ้าโอ้ยนะไม่ว่าจะเป็นนิกายโมลู ก, กะหรือโมเรือหมอกแดงนะเขามีหมวกด้วยมันหนาวตอนเช้าเลยต้องใส่หมวก แต่นี่เขาห้ามใส่ห้ามคลุมศีรษะอันเนี้ยนะวินัยพระสงฆ์นี่มันจะผิดอาบัตินะ่ะเรือบา ง, ง ท, ทีสอนคนแก่คนคลุมศีรษะเนี่ยจะเป็นอาบัติเขาไม่ให้มีอ่ะเขาไม่ให้เอาเปรียบพระสงฆ์พระสงฆ์โกนผมเอาพระไม่มีก็ไม่มีแต่ถ้าพระมีก็เป็นอีกแบบหนึง่งอย่างใส่รองเท้าอย่างเงี้ยแสดงทำแก่คนที่สวมรองเท้าก็ไม่ได้พระยืนอยู่ในที่ต่าคุยกับคนที่อยู่ที่สูงก็ไม่ได้ผิด ความเหมาะสมมันไม่มีเขาบอกว่าคนนี้ไม่มีจัรยาบรณไม่มีกิริยามารย์ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรพระอยู่ที่ต่ําคุยกับโยมที่สูงก็วิตกบัตฑ์นะเขาจะสอนนะแม้แต่ว่าพระสงฆ์เนี่ยไปกินอาหารที่อันเป็นเดนของคนอื่นนะ่ะพิสูจไม่ได้เป็นไข้กินอาหารที่โยมกินแล้วเนี่ยเป็นอบัติ คือเลไล้อย่างนะคือเขาจะเบรกไอไอตัวอยากในจิตเราเนี่ยไม่มันมีอ่คือทําตามใจชอบนี่ไม่ได้เลยเนึ่องจากกินตอนไหนก็กินอยากทําอะไรตอนไหนยังไงหรือไม่ดูสถานะสภาวะตัวเองนี่ไม่ได้ความเหมาะสมมันไม่มีบางทีเห็นโยมยืนเี่ยอยากยืนไปคุยก็คุยเลยวันนี้ตอนเย็นมาเขาก็แสดงอาบัติละปรับอาบัต อันเ uh, ี้ยกิริยามารยาทไม่ดีทําตัวไม่เหมาะสมเขาไม่ได้ว่าโยมไม่ดีนะแต่ว่าพระไม่ดีมันลุ่แขมหน้าของกิเลสไงบางทีบางดีเดินไปหาโยมบางคนเนี่ยนอนสบายเจะคุยลงว่ามาอะไรบางทีเราก็ไม่ได้คุยด้วยเพราะวกเราไม่ได้เกียดชังโยมหรอกแต่ว่าอมันไม่เหมาะสมแล้วไม่มีธุระอะไรจะคุยด้วยก็ไม่คุย นะแต่บางทีเดินไปก็ไม่ได้คุยด้วยหรอกเห็นนอนอยู่ก็จับคอนฟาดเดางทีนะไม่คุยด้วยนะปลุกให้มันตื่นไงอันนี้มันไม่เหมาะสมนะอันนี้งทีอันนี้มันไม่เหมาะสมอันนั่งท่านั้นไม่เหมาะสมอนนี้บาคนหลับเอาหลับเอาในเก้าอี้เดินไปก็ไม่ได้คุยหรอกนะแต่พักให้ตกเก้าอี้ท่านเอง เขาอยู่อย่างนั้นเขาอยู่ในที่ระดับสูงเวลาเขาทํานะพวกที่เบตยดเขาตื่นขึ้นมาแต่ที่จะห่มผ้านีเนะเสร็จพอดีเลยนะใช่ไหมแล้วก็นั่งสมาธิลองดูดิพวเธอทำใหม่ใหม่เนะี่ยเป็นยังไงที่เบียดเขาประชากรประชากรของเขาเนี่ยห้าเปอร์เซ็นตะเป็นพระเป็นเนนระ มีใส่นาฬิกาใส่แวน้นใส่ใสนาฬิกานะนะคือเพราะปกติอะ่ะชีวิตเขานะแต่ว่าเขาเน้นเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันทำอะไรเขาก็ให้เลยลึกรู้ห่มผ้าเยี่ยเสร็จพอดีเลยนะเอาขึ้นมายิ่งจุงเลยนะเนี่ยยิ่งอ่อนหัดยิ่งยากลำบาก เราทำเหมือนอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่นี่เราจะเอายังไงอ่ะจะแสดงตัวเองยังไงคือเราสามารถได้ศึกษาเรื่องของวีแตนะ่ละทีนี้เขาก็มีวิธีการนะ่ะมันมีอาจารย์ให้กราบไหมมันง่วงเอา้ามันหลับบ่อยๆเนี่ยให้กราบพระดูขึ้นกราบพระทำโทษกราบหนึ่งข้งสองข้างสามแก ง, ง่วงได้หรือยังยังเอาอีกเอาอีกเอาอีกอย่างเนี่ยพอทำไปจนมา ก็ให้รู้สึกตัวด้วยขณะที่ท nice. ําเนี่ยและลึกรู้ด้วยกราบไปและลึกรู้ไปกราบไปลึกรู้ไปเกิดสว่างแจ้งขึ้นมาคนนั้นนะคนที่กราบนะใจให้ลึกถึงวุตยาทีแรกก็งุนงิดกับอาจารย์ทว่าให้กราบเฉยๆกราบด้วยมีสติและลึกรู้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาก็กลายเป็นลัทธิกราบเราเคยเห็นไหมพระที่บิดเขากลราบมันมีกระดานวาแล้วกา เห็นไหมดันตัวไปข้างหน้าวันหนึ่งเขากราบสองพันห้าร้อยครั้งเธอไปดูดิในช่วงเนี่ยเขาดาวปีใหม่อยู่รอบๆบริเวณศรีมหาโพลในอินเดียนะคือเขาลีภัยเข้ามาอยู่ในนั้นในในเมืองที่อยู่ไม่ไกลแต่ที่เบตเขาจะเต็มหมดเลยพะ่อท่านดัลัยละมะนี่จะต้องไปทุกปีเขาจะไปตั้งศูน เขาจะวางกระดานปูนั่งไม่ใช่ผ้าปูนั่งเหมือนเราเนะกระดานไม้กระดานที่เขาแบกไปเปลวางแล้วก็เสื้อตัวใสไปกลับเอาแล้วจากเพราะว่าเขาให้ออกเนาะก็เข้าไปได้ในช่วงประมาณตักตนะีสี่เราตื่นไม่ทันหรอกคนตั้งหลายตั้งปวงแต่เขาไปเขาจองหมดแล้วกราบแนละ้วเสือกตัวไปขนาดกรับก็ไม่ต้องสวมเสื้อผ้าแบบนี้นะ่ะเหลือแต่เสื้อกล้ามของเขาเนะี่ยกราบ กราบกราบไปถึงนน่นแหละห้าโมงเช้าโน่ะห้าโมงสินาฬิกาโน่นนะขอไปหาซื้ออาหารกันอยาลืมตาลืมตาเอาฟังดีๆบู้บูขนาดนี้ยังจะหลับอีกนะ น, <c oughs> นี่มลหันหน้าไปทางโน้นโยอช่วยกันตรวจสอบโยมหน่อยแทนวินมองไปทางโน้น หรือมันเป็นเพราะเราไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางมันปฏิบัติธรรมเนี่ยหรือยังไงม่วงใดม่วงดีแต่ลูกตาก็บอกแล้วนะบอกชุ่มพันแล้วเพราะเกศเป็นเจ้าที่นะตามโฉนดที่ดินนะเกศเป็นเจ้าของที่เจ้าที่คือคนนั้นนะไม่ใช่ว่าเจ้าที่ผีป่าผีดงเราไม่ใช่เจ้าที่คือถ้าเรายังไม่มีสติในย่องเผลออยู่นั่นแหละคือมันจะมีผีเข้ามาในใจนะก็บอกทุกอย่างแล้ว น, นี่ แล้วมีอาพระมานั่งปลกด้วยเนี่ยปลกคือคุ้มครองอ่ะนะมันเขามีสายสินลงมานั่งปลกเวลาเขาปลุกเสกมีพระนั่งปลกอันนี้เขาพาพระมาปลกเนี่ยปลกพระนาปลกปลกปลกใจเราเนี่ยนะพระนาคปลกนาคแปลวนาคแปลวประเสริฐปลกก็คือปลกจิตปลกใจเรามีง่วงเข้ามาเขาเตือนเนี่ยบอกกล่าวมันเบื่อมันคิดไม่เตือนเนี่ยมันจะไม่เป็นพระได้เลยเนี่ยเราปลกกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยแต่ส่วนมากเราไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ไปปลุกเสกที่นู่นที่นี่แนละ้มีเสื้อได้สายสินก็ะจับนะหรือมีไหวไหวลูกนิมิตนะว่าตัดดึงแย่งกันบาดคอคนที่ไปเอาไหวนั่นอีกต่งดูดิตายก็มีได้รับบาดเจ็บก็มีทั้งที่ไม่คุ้มครองเลยพระพุทธรูปนั่นก็พุทธรูปนี้รูปพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาทํามาเหมือนไหมนี่ถ้าเหมือนไหมเออบางคนทําไม่เหมือนนะ เยังกัมันเคยเห็นบูที่เจ้าถ้าทําหล่อหน่อยก็ดีไปแบบโอ้ยทําเหมือนจริงนะเนี่ยยังก็เคยเห็นนะไปดูพระพุทธรูปฝรั่งเดชจมกูกใหญ่ยังก็อะไรดีพระลูปอินเดียเขาอ้วนอุพุไปญี่ปุ่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าจีนก็เป็นอีกแบบหนึ่งพอมาประเทศไทยเป็นแบบหนึ่งแต่และประเทศก็มีคอนเซปตของพระรูปของตัวเองอะไรที่คิดว่ามันสวยที่สุดแหละคือพุท ธ, ธะอะไรที่ไม่มีทิฏฐินะคือพุท ธ, ธะ แต่ผู้เดียวจะยิงหัวจะไม่แหลแบบนี้หูจะไม่เป็นแบบนี้ก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแต่เขาทําแบบปิิศนาทําไงแต่ไม่มีใครติถ้าทำแล้วมันถูกลักษณะเนี่ยถ้าทำเหมือนองค์อื่นก็เหมือนสาวกก็ไม่เหมาะสมเนี่ยนั่นจึงไม่ได้ให้ความสําคัญว่าเออท่านจะช่วยเราหรือเปล่าไม่ใช่จะดูลักษณะแล้วว่านี่พุทธะคือแบบนี้นะจะช่วยให้เราถ้าเรามองเป็นเนี่ยมองพระพุทธอย่าไปสะดุดตรงที่ทองคําอ่ะ โอ้ยพระพุทธรูกองนี้ราคาแพงนะอย่างนี้นนเดี๋ยวเขาก็ขโมยไปนี่แต่แพงนะมีฝรั่งองค์หนึ่งคนหนึ่งมาจากเยอรมันไปอยู่ที่วัดปฏิบัติทำพูดก็ยากเดินจ่กลมมันออกมาสายลงตาดุขี้เกียจอย่างนู้นเนี่ยไกว่าวัานหนึ่งเลยคิดว่ามันจะหนีจากวัดไปหนีไปแต่จะขโมยเอาสิ่งที่พระรักที่สุดนี่แหละ ที่ตื่นมาแล้วเขากราบประจํานี่กูจะขโมยไปด้วยให้พระในวัดร้องไห้เสียใจโอยเชิญเนาะถามว่ามันนึกว่าเราจะร้องไห้เพราะพุทธลูแล้วมั้งของที่รักมากเนี่ยเหมือนไม้ข้างเข็นนะมันคิดในใจนะแต่มันก็ตื่นมาไม่ทันเราทําวัดแล้วมันมาไม่ทันขโมยไม่ได้มันตื่นสายตัววันปฏิบัติอยู่ห้าหกเจ็ดวันแล้วสุดท้ายมันก็เข้าใจเรื่องสตินะเข้าใจแล้วมันก็เลยมาสารภาพว่ามันจะขโมยพระพุทธรูปครั้งหนึ่งแล้ว ทำไมไม่เอาไปบ่เอาองค์ใหญ่พระประธานในโบสถ์นั้นด้วยมั้ยวุ่มไปเลยว่าคิดอะไรนะนะคือเราเอาคุณภาพของพระธรรมเนี่ยพระพุทธเนี่ยมาไว้ในใจแล้วนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจไอ้เรื่องข้างนอกเท่าไหร่เป็นสัญญนณล้างนะการจุดจดุทูปจุดเทียนบูชาพระใดเป็นเรื่องของอนุบาลนะการศึกษาบแบบอนุบาลใครยังไม่รู้เรื่องกระจุดไปนะเห็นไหมบางวัดจุดทูปจุดเทียนบ้างไม่ศาลาก็มีพระุทธเจ้าก็ไม่ดูแลไม่พระพุทธลูกอีกต่างัากบางที นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาแบบปัญญาไงเราแต่ความงมงายเขาว่าเจ้านะที่บูชาไฟอ่ะแต่ก่อนเขาจุดทูปจุดเทียนเพราะเขาไม่เห็นแสงสว่างทูบสัญลักษณ์คือพระปัญญาคุณบริสุธิคุณพระมหากรุณาธิคุณทูปเนี่ยบูชามีอยู่ที่ไหนจริงๆเขาจุดเพืบูชากายวหวจ่าจใจเวลาเราใช้มันหอมเหมือนทูบเวลาจุดนี้มันจะหอมทูบนะ เราเองเวลาเราใช้เนี่ยมีไหมมีกุศ่ลธรรมเกิดขึ้นไหมกายว า, ายใจใจเนี่ยมันไม่เกิดนะพุทธรูปแล้วเขาชี้มาที่เราในจิตเราเนี่ยให้เราฝึกตัวเองแต่เราไม่ได้ฝึกตัวเอง<ม>จุดทูบจุด จ, ดจนตายไม่ได้อะไรจุดเทียนเทียนคือความสว่างก็เราเกิดมามีสองตาหนึ่งตานอกสองตาในาชีวิตเราเนี่ยมีตานอกกับตาในาคือเขาให้สว่างทั้งสองตาเขาก็เลยจุดทูบเทียนสองเล่ม เทียนสัญลักษณ์ของความสว่างไงตานอกเขาเรียกว่ามังสาจากสักษุทางในเรียกว่าพุท ธ, ธาจากักษุหรือธรรมะจกักษุมังสายแปลว่าตาเนื้อตาเนื้อนีนเราควรมีเดินไปเดินมาควรเห็นน่ะเห็นรถเห็นลาเห็นอะไรแล้วก็หลีกเล่นไม่ได้เกิดปัญหาชีวิตแล้วก็หลีกเอาไม่เข้าไปยุ่งตัวไหนมีปัญหาเขากินเหล้าเมายามีอบา ย, ยามุกไม่เข้าไปเพราะเป็นปากทางเหตุความผิดหายไม่ยุง่งไม่เกี่ยวคนไหนที่ไม่ดีเราไม่คบไม่หา ตาในล่ะตาในเนี่ยเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเห็นโทสะเกิดเห็นข้ามไปได้โมหะเกิดปล่อยวางได้ความโกรธความขีดความรักความจางงูหีดอื่นอัดขัดเครื่องง่วงเหงาห้องนอนเราข้ามได้ข้ามได้เพราะเรามีตาในางไงมีธรรมะจักรสุแต่เราก็ไม่รู้พระพุทธบอกให้จุดนะจุดนะจุดให้มันติดนะนะจุดเทียนเนี่ยจุดไฟให้สว่างภายในจิตเราดันมาจุดเทียนข้างนอกเนี่ยเล่มใหญ่บางทีบางจังหวัดเหตเทียนเข้าภรษาด้วยแต่โ ง, ง่กว่าเดิม แกะสลักสวยงามทอทอทอก็สนับสนุนแต่ไม่ได้สนับสนุนให้มันเกิดปัญญาไงสนับสนุนให้โง่เพิ่มประเพณีพิธีกรรมอะไรมากมายหลายๆก็ไปนเน้นที่เศรษฐกิจแต่จิตของคนตกต่ำลงตกต่ำลงไม่รูนะ้นั้นปัญญามันไม่เกิดเราส่งเสริมส่งเสริมได้แต่ว่าในเมื่อคนที่เฝ้าอยู่พุทธศาสนาเนี่ยอย่างพระสงฆ์เนี่ยเมื่อไม่รู้สัจธรรมเนี่ยจะพายุมไปทางไหนอะ บายโยมไปสนุกสนานเหมือนเดิมอะแทนที่จะพาไปสงบแทนที่จะทําให้เกิดปัญญาเราลงทุนไปกี่ล้านแต่ละปีเนี่ยสำนสักสงฆ์โครงการพุทธศาสนาแต่ปัญญามันไม่เกิดเพราะเราไม่ได้เอาจริงเอาจังไงก็มันได้ชี้มาที่ตัวนะงนั้นประเพณีพิธีกรรมของพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยกิเลสมันเข้ามาแทรกซึมแล้วมันเอาไปแล้วนะทําบุญที่นั่นทําบุญที่นี่ทําบุญกันมากมันน่าจะหมดทุกเดือ น, นประเทศไทยเนี่ยเพราะทาบุญกันจังนะ แต่ทุกเพิ่มงมงายเพิ่มรัฐตามไม่ใช่โจมตีนะนี่พูดให้นะเนี่ยนะพูดให้ให้ไปสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมบางวัดลูกนิมิตนั่นตั้งไว้ตั้งไว้ลู ก, กี่ปีแล้วไปนี่นก็ยังไม่ฝังอยู่เอาไว้ให้ติดเอาเงินอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหลนะลูกนิมิตความหมายจริงก็คือสั ญ, ญลักษณ์โบทเขตนเนีย อยู่ทางนี้เอาศิลาหินปุจฉะว่าเวลาทำํำลูกนิมิตคือเครื่องหมายเครื่องหมายเวลาทำเครื่องสังกกรรมนะเวลาจะทำสังกกรรมเนี่ยทําพิธีกรรมการบวชหน้าการอะไรเนี่ยให้มีเครื่องหมายนะเอานี่เอาหินเป็นนิมิตนะวางตัวนั้นตรงนี้บริเวณนี้เวลาทําพิธีกรรมจะให้คนเข้ามานะมันจะยุ่งยากวุ่นวายสับสนเวลาถามเนี่ยมีอาบัตินในนี้ไหมถ้าคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามามันก็ได้พูดไปเรื่องยาวอะ ลูกหลานพี่น้องเขาเข้ามามันยุง่งทันเขามีเขตห้ามเข้ามาตัเข้ามาในบริเวณนี้ครับหยุดเป็นสัญลักษณ์นะนี่เขาเรียกว่าลูกนิมิตนิมิตแปลว่าเครื่องไม้แต่ปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงอะ่ะเอามาตั้งไว้แล้วเอาอยู่ใ น, นแหละบานทีก็เหตต่างหาบ้านนั้นบานนี้นไปติดลูกนิมิตเอาใครเจั้นลูกนิมิตนะเขียเข้ยดผสมเขต้ยดเฉยๆหลักล้วนเฉยๆทาไมเอาจริงเอาจังจังลน ะ, ะแผ่แห่ไปเอาของเงินบ้านนั้นบ้านนี้นนนไรประมันเอาจริงเอาจัง ชอฟ้าใบาละกายอยู่ข้างบนนภยานาคแล้วก็เพื่อจะติดได้ก็โอ้นานนะนะบางทวางาีวางศิลาเลิก <c oughs> วางศิลาเลิกวางศิลาเลิกเลิกงานยามดเอา้าถ้าเงินมีก็ไม่ต้องวางศิลาเลิกสร้างวันนั้นก็เสร็จแลหลวงตาทําว่าที่วัดนะนะก็พึ่งหมดไปสิบเจ็ดล้านที่วัดก็ไม่เยอะอะไรหรอกแต่ก็ไม่เคยวางศิลาเลิอกอะไรนะ ถ้าธรรมดาไม่อั่นก็สร้างไปสร้างไปทำไ ป, ไปธรรมดาเนะงายเงยไม่ต้องหาเลิกหางามยามดีนะบางคนนะอันนี้มันต้องปิดใหม่ ใช่ไหมมีไหมมีบ้านเราก็เหมือนกันแต่งงานยังไม่พอคราวเลยได้วันสองวันเลิกกันแล้วมันเกี่ยวกันไหมอายคนนั่นน่ะมันอยู่ที่สันดานมันนั่นแหละอยู่ที่ตัวเขานั่นแหละที่จะแก้ไขนิสัยใจคออยู่ด้วยกันได้ดีมันก็ธรรมชาติธรรมดานะดังทำออกหน้าออกตาบางทีนี่และห ล, หลายอย่างประเพณีพิธกรรมจริงเนี่ยมัน อย่างเขานิมนต์พระไปบ้านนิมนตเลยคือตายเขาก็พระตายก็นิมนต์พระไปไปสอนไงอันนี้จังนะโยมอย่าไปทุกข์นะปล่อยวางนะทุกขังอนัตตานะไม่มีอะไรนะนะแต่พอเราเวลาไปสวดศพเวลามีไปเคาะโลงอกีกต่างเอ้ามารับศีลนะปอปอะปอพระท่านมาแล้วนะเนี่ยเกิดมันลุกขึ้นมามันทําไงพระก็ไปพอพรนะน่ไม่ได้อยู่นะจริงๆมันไม่ใช่ เขาไปสอนโยมไปบอกให้โยมมีศีลมีธรรมให้รู้จักปล่อยวางชีวิตคนก็เป็นอย่างละมาถึงจังหวัดันก็ตายสลายล่างลงไปเป็นธรรมชาติแต่เราก็เอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังโวงตาไปบางแห่งไม่ได้เผาสากทีศพนั่นขึ้นไปสวดศพก็ไม่ได้เผ า, า, เาถามว่าทำไมไม่เผาเจ้าทีเนี่ยสองสาวันมันนี้หกเจ็ดวันแล้วนนเนี่ยเพราวะว่าพวกเล่นการพนันเล่นให้ลขาจ้างไว้ เขาออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยค่ากับข้าวค่าป้ า, าปอาหารนี่งานนี่ค่าสวดศพพระที่ท่านเอาเงินไปนี่เขาก็จะออกเองนะตามันจ้างศพเอาไว้อ่ะบอกบโมไม่ไหวในะแบบนี้เลยมัแบบนเถิดแบบ โ, โอ้ไม่ควรถามมหากินกับสร้างศพเนี่ยขนาดผียองไปจงมหากินกับผีเลยเนะี่ยแล้วจะเอายังไงดีเขาไม่ฟังนะ เขาปืนพลาดดันหลังยิ่งต้มกันมาตรงธรรมะนั่ น, น, อนไอ้ที่ที่นั่งนี่กระจายเลยเเเขาเตือนเขาคงไม่เอาถูกนะเฉียดหน่อยเดียวก็เลยว่าเอวังก็มีด้วยปกแต่ไม่เอวังมันจะได้เอวัมรณะนะมันจะยากลำบากวันต่อมาก็คือเผา มันมันยากสังคมในโลกเนี่ยคือเราเนี่ยมีแต่เรื่องหาเงินหาทองเรื่องติดพวกนี้ตลอดเวลานะไม่ได้ใส่ใจเรื่องศีลธรรมเรามองดูดี่พอลงตาพูดได้ฟังเนี่ยมองดูประสบการณ์ชีวิตเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาข้างเคียงหรือเป็นยังไงมันมีพวกหนึ่งนะพวกมีหมอกลุ่มหนึ่งอนะ่ะพวกนี้พวกเชื่อหัวสมองอเ น, นี่ยปฏิบัติธรรมนี่เขาให้อยู่กับปัจจุบันอันนี้มันเชื่อหัวสมอง สมองตัวเองนะแล้วก็คิดหาธรรมะคิดแบบนั้นคิดแบบนี้แล้วก็ไปเช่าโรงแรมเสวนาธรรมะกันออกกนละสีะ่ร้อยหกร้อยบาทเช่าห้องเสวนาธรรมะเสาร์อาทิตย์หรือวันนาาักขัตฤกษ์วันอะไรก็ว่าไปตามเรื่องอา้าววันนี้พูดที่เรื่องอนัตตาอนัตตาเป็นงไงพราะนันกแสดงความเห็นวั น, นี้ก็เสวนากันเอาไปมาเกือบเจตีกันก็มีตาเหลือกตาค้างใส่กัน ธรรมะเลอแบบนั้นน่ะมันทุกเพิ่มนะมนไม่รู้เรื่องมีโยมคนหนึ่งนะอยู่มูลทิ่สายใจไทยมาปฏิบัติธรรมกลับไปเขาถามเวลาเขาไปหาไปในคลินิกนะล้วไปไหนมาหมอถามไปปฏิบัติธรรมะาค่ะปฏิบัติที่ไหนแบบลุงพ่อเทียนโห้เดินจุกมทั้งวันนั่นนะ่ะหมอว่าทำไมไม่รู้จักใช้สมองบ้างเกิดมาเป็นคนนะ่ะ คิดเอาซะบ้างดีสอนธนพรมสอนพุทธเจ้ามีอะไรก็เก็บมาคิดดิมาเจตนาดิแยกแยะให้เห็นะจริงเนี่ยนี่คือมนุษย์นะ่ะอันนี้เดินจุกล ม, มเดินไปเดินมาถ้ามันบรรลุธรรมเนี่ยควายมันบรรลุหมดแล้วหรอคนแต่เดิอนอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่เขาตอบไม่ได้คนนี้เขาตอบไม่ได้อืมเขาว่ากูเป็นควายนะเนี่ยบรรลุธรรมหมดเล้วก็เลยดักลับมาเดินจุกลมใหม่ เดินจุ ก, ก้มเดินเนี่ยทําความเพียนมาใหม่ทําความเพียนโอ้ยคุณหมอไม่รู้นะคนก็ไปเยอะนะนี่อืกานเขาก็เป็นควายกินหมดเลยแต่ใช่ดิทําอย่างฉันเนี่ยพาเสียวนาพาพูดพูยแล้วใช้สมองบ้างดิคิดเอาบ้างดิเอาไมัน <c oughs> แกมาเดินจุ ก, ก้มใหม่ <c oughs> ไปคินอีกใหม่ที่นี้คงได้ความรู้นะออ่ไปเดินจุ ก, ก้มแบบควายไนดะ้มาอีกแล้วทีหมอว่า ก็บอกแล้วไงนะถ้าเดินจะกมเดินกลับไปกลับมาแล้วบรรลุธรรมเลยควายมันบรรลุกันหมดแล้วอ่ะอันนี้เราเป็นคนคนนี้ก็เลยบอกว่าคนหมอคะ่ะถ้าควายนั้นกําหนดรู้สึกตัวได้มันจะบรรลุจริงๆนะให้บอกแต่ว่าควายนี่มันเดินไม่รู้สึกตัวอย่าว่าแต่ควายเลยค่ะหมอถ้าเดินไปมีแต่ความคิดอย่างนี้ก็ไม่บรรลุหรอกค่ะยิ่งกว่าควายหนักเข้าไปอีกทีเนี้ย แต่ไปเดินทีกงคือเดินเพื่อให้จิตมีสมาธิและลึกหลูบอกตัดความคิดตัดการปรุงแต่งให้ทาได้ตลอดทั้งวันนั่นเองมันต่างจากคนเดินคนที่เดินอยู่เดินอยู่กับความคิดจะไม่ต่างอะไรจากควายยึดอยู่ประจำวันเนี่ยโงก่กว่าควายอีกเพราะควายมันไม่ได้ปรุงแต่งเท่ากับคนคนนี่มันปรุงแต่งมากปรุงแต่งในกามในเกียรติในกินในหลับในนอนในอะไรต่างเนี่ยยะ เผอ้นว่าควายเนี่ยมันไม่รู้สึกตัวมันไม่ได้มีสติเลยเลื้อยลู้เฝ้าดูอารมณ์มันมันไม่เห็นมันก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมคุณหมอไปไหมคะทีนี้นี่คะหมอเริ่มอารมณ์ไม่ดีเน่ยย้อนเหรอนี่เอาละนี่ทีนี้ไม่หรอกค่ะเลยเนี่ยคุณหมอทุกนั่นเนี่ยคุณหมอคิดแต่ทํามะแต่คุณหมอก็ทษกแต่ฉันไม่ได้คิดทําอะไม่ได้คิดเลยอยู่กับปัจจุบันเฉยเฉยเนี่ยเนี่ยเริ่มมีวาทะกันเกิดขึ้นนะใครดีใครอยู่เลยนี่ฟันดาบกันอย่างกับหนังจีนเนี่ย ดันั้นบางทีถ้ศึกษาถูกก็ถูกนะอย่างแล้วมาปฏิบัติทำเห็นไหมปุจจานนั่นคนไม่ในเรื่องเขาก็ไปปฏิบัติทําแล้วก็เกิดการรู้แจ้งการรู้แจ้งไม่ใช่คิดนะคิดหาในวิจงวิจารในไ ม, ม่ใช่นะอย่างเขาบอกว่าปีวิตกวิจาร์ปฏิบัติทําเจริญสติไม่ไหมจเจริญสตินีพอมันได้อารมณ์คือรู้จักรูปนามต้นเอง มันแจ่มแจ้งขึ้นมในใจสักระยะหนึ่งเนี่ยคาว่าวิตกิจันคือคิดธรรมะเป็นเนี่ยมันเป็นเองโดยธรรมชาติที่เราไม่ต้องคิดมันแต่มันหยุดไม่เป็นมันมันคิดเองมันไหลไปโอ้นั่นก็ธรรมะนี่ก็ธรรมะมันมีแต่โอรนอโอหนอวิโตกิจันคือองค์ชานปฐมฌานคือคนจิตตกที่มันจะคิดเรื่องธรรมะแต่เขาให้ปล่อยวางอปเนี่แต่จิตบางคนมันจะปล่อยวางไม่ได้ก็จะเป็นวิปัสนาวะ อุปกิเลตเกิดขึ้นในขณะที่จิตมันเริ่มเป็นอารมณ์วิปัสนาบ้างแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้หมายว่าวิโตวิจารณ์คือคิดหาไม่ใช่คนลเลืเรื่องกันนะนะมันเป็นเองกับเราคิดหาเองไม่คนลเลืเรื่องกันนะคือจิตมันตกกระแสแล้วไม่จะเห็นนี่ยคล้ายๆเข้าไปอยู่ในที่เขาเปิดไฟที่สว่างแล้วมันก็จะเริ่มมองเห็นโอ้อันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้ยจิตจะเป็นแบบนั้นนะ่ะดังนั้นเดี๋ยวนี้คนมันมันหลงทางกันเยอะแต่ต่างคนก็คิดว่าเข้าใจธรรมะนะ นี่เข้าใจธรรมะเดี๋ยวนี้ครูในโรงเรียนคนนักเรียนเกลียดที่สุดคือครูสอนพุทธศาสนาะสอนธรรมะเนี่ยเด็กมันเกลียดเพราะมันไร้าสาระไงแล้วมันไม่อยากเขาเรียนเพราะมันรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรมันอ่านเอาก็ได้อ่ะแต่เขาไม่ได้สอนตัวพุท ธ, าทธศาสนาเนี่คนที่ได้รับเกลียดสูงสุดในการสอนชีวิตความเป็นคนให้กับคนนะสอนคนให้เป็นพระนะแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีภูมิรู้ไง ไม่ได้ส่งไปฝึกไปฝนมีครูโรงเรียนมีมีพระไปฝึกอย่างวัดป่าปัญญาเนนวัดวัดปัญญาเนินธารามในกรุงเทพพวนี้รับฝึกครูวิถีพุทธทั่วประเทศแต่เพอเพอพระอยู่ที่นั่นจะดอดมาฝึกอยู่ที่วัดสมานัฐพระพี่เลี้ยงเขา พออะไรพอฝึกมากมันก็ไม่ค่อยมีสติมันไม่ค่อยรู้นะว่าฝึกแบบเรื่องเรื่องอื่นเป็นเรื่องทฤษฎีซชเป็นเรื่องอะไระ่ะมันเป็นเรื่องของข้างนอกอะเป็นเรื่องจิตวิทยาเรื่องอะไรต่านี่มันไม่ใช่เรื่องการรู้แบบเป็พุทธิย่ารู้นั้นการเข้าใจพุทธธรรมเนี่ยเราจะเห่อเอาเพราะสงฆ์อะไรเนี่ยสอนธรรมะมากมายขนาดไหนก็ทำนะแต่มันยังไม่ใช่วิธีของพระพุทธองค์มันก็ปรากฏเกิดว่ามันมีแต่ปัญหานะมีแต่ปัญหา เดี๋ยนอย่างทางรัเสเซียอย่างเบนเดียมอย่างอโซเวียตพวกเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาทางรัฐบาลเขาเข้ามาขอทั้งทุูคือมาขอพระไปสอนศาสนาสอนวิปัสนาเนี่ยกันเยอะมากคือาทางประเทศเขาเอาใจใส่อะ่ะแต่ของไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยส่งเสริมส่งเสริมก็ไม่รู้จะยังไงอะ่ะะคือมันไม่ได้เอาจริงเอาจังทำพิธีการลุง <c oughs> ตา <c oughs> เคยเล่าว่า เดี๋ยนี้ในพุทธมนตร์ น, นนะเอากว้างกว้างหน่อยพุทธมนตรเข้าแห่เวียนเทียนไปจําวันวิสาขาวันมาฆะคนเยอะไหมเยอะมากที่วัดได้ไหมว่ามันคือศาสนาเจริญไม่ได้นะแต่คนไปร่วมเยอะมากแล้วเข้าไปในนั่นตรวจสอบเลยไม่คนง่วงคนเหงาคนเบือ่อคนไหนไม่ได้เลยแล้วแต่มันจะเป็นคนเวียนเทียนก็เหมือนกันจับเทียนเพระพระพุทธเจ้าอยู่จากผู้อยู่ เวียนอยู่แต่คำปฏิฐ า, า, านมันไม่ได้เหมือนกันนะออข้าแต่องค์พุทเจริญขอให้ข้าพเจ้าได้แต่งงานกันเรื่องบ้างนะเวเนี่ยเห็นไหมมันไปหนุ่มไปสาวสองคนคำปฏิฐ า, า, า น, นไม่ได้เกี่ยวว่าได้ดวงตาเห็นดําได้เลยมันไม่เกี่ยวกันนะ่ะมีน้อยนะมีน้อยมากในนั่นอาจจะได้หน่เปอร์เซ็นต์ะร้อยหนึ่งอาจจะมีคนหนึ่งที่ที่ไปด้วยใจที่รักศาสนาและเข้าใจธรรมะชวนว่าไปด้วยแบบแบบประเพณีแบบที่จีกรรมแบบคอนเะสิร์ติฟมั้ยจิตเนี่ นั้นเราเองเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะรุ่นใหม่คือหมายความว่าศึกษาพุทธศาสนาแบบเป็นที่ตัวสาระตัวปรมาติตจริงเนี่ยมันจะเข้าใจตัวสัจจะคือขอให้รู้สึกเถอะโยมกลับไปบ้านโยมตักน้าตําข้าวทำอะไรโยมก็ให้สติอยู่กับปัจจุบันเนี่ยโยมสามารถมีพุทธภาวะปรากฏเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนท่านหลวงพ่อ น, นิติณัฐนัน น, น่ะเวลาท่านเดินไปก็ ให้รู้สึกตัวทําอะไรก็ให้ตระหนักรู้ให้รู้สึกตัวทําอะไรก็รู้สึกแต่ของเราเนี่ยเรารู้เลยว่ามันความคิดปรุงแต่งมันเป็นอย่างนี้เราทําภายในสองวันสามวันไม่ต้องแบบใช้ชีวิตแบบนั้นเลยแต่รู้สึกว่าเออมันปรุงแต่งนะมันคิดเนี่ยแล้วเอาสติเลยเลืกรู้ให้มามาแล้วเห็นมันมันก็จะเกิดการหดตัวเกิดการรู้แจ้งสว่างขึ้นมาธรรมชาติอันนี้มันมีอยู่อ่ะเรารู้ความลับอันนี้เราเลยไม่ไปทำํำเล่นหัวหัวไง ชีวิตนี่มันสั้นไม่รู้จะตายวันนี้วันพรุ่งนี้มันใกล้ๆตัวเองนะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เพราะว่าอย่างเช่นเรานั่งหลับตาอย่างเงี้ยนั่มหลับมันก็หลับนั้นสอนให้โยมเอาจิงเอาจรยังไงก็ตามนะแม้แต่พระก็ยังหลับทีนี้เรามารู้วิธีว่าเอ้ยไม่จาเป็นต้องหลับตานะ่ะลืมตามันก็ออกได้จากความง่วงเนี่ยตัวง่วงเป็นปัญหาหนักที่สุดของกรรมฐานทุกรูปแบบ ถ้าไม่มุ่งข่อยยังชั่วหน่อยตัวคิดนี่เดี๋ยวก็หายถ้าทําทุกวันทุก ว, วันเนี่ยชั่วโมงบินมันเยอะเดินไปเดินมาเดินไปมันคิดคิดมากคิดน้อยมันต้องหยุดแหละมันต้องผ่อนลงมันลดลงลดลงล ด, ลงลดลงลดลงแหละยิ่งเรามีสติเข้ามาซึมเข้าไปเหมือนเหมือนแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกว่ากระป๋องอันนี้เนี่ยมันมีน้ำสีสีแดงสีขาวสีเขียวนี่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มอะเนี่ยในเนี้ยแต่ เราเอาน้ำเปล่าหยดใส่หยดใส่ห ย, ยดใส่ทุกวันเทีใ ส, ทใส่ทีใส่ทุกวันเนี่ยถามว่าจะจางไหมจางัหมจางไหยจางมันเป็นจางยิ่งได้น้ำเยอะๆมัน ย, ยิ่งจางแล้วเทน่เข้านักเขามันทีน้ำเอามาสักล้านลิตรเนี่ยสีนี่มีแค่กระถนเดียวแค่ขันเดียวเนี่ยมันจะไหลออกโดยซ้ำไปสีเก่าเนี่ยออกไ ป, ไปในใจคุณเธอท่านทั้งหลายเนี่ย ที่เราสะสมราคะโทสะโมหะมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเก็บไว้ในใจโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้รักเชอบชอบชังเนี่ยเป็นกิเลสเป็นนูใส่ฝังอยู่ในใจแต่ก่อนเนี่ยเราเติมความรู้สึกตัวลงไปวันหนึ่งเนี่ยมันเติมเต็มนะเติมเต็มแล้วเขาเรียกว่าบารมีมันเต็มสันติรู้ตัวทุกเรื่มันจะล้นออกมานะขยับไปจนโอ้ยรู้สึกตัวไปหมดเป็นอัตโนมัตตอนนั้นกิเลสมันจะออกไปด้วยนะมันล้นใจอ่ะ เรารู้ทันทีว่าเราไม่ต้องสร้างจังหวะไม่ต้องเดินจุกมีแล้วมันเป็นแล้วของมันแล้วมันอยู่อย่างนั้นเหมือนน้ามันเต็มแล้วไม่ต้องตักใส่บารมีมันเต็มก็เป็นแบบนั้นแหละแล้วมันจะพาเชื้อโลกทั้งหลายนี่มันออกไปด้วยนั้นเขาจึงให้สร้างจังหวะเดินจกุกมทําีทำแรงเลยอันนี้เคลื่อนไหวนหนักๆกระตุต้นนี้มารู้สึกตัวเยอะๆไม่ต้องกลัวมันไม่บางคนอยากนิ่งๆหลับๆนิ่งๆนี่ยิ่งจมเหมือนเคยบอกคนเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ย color f i นะอันนี้มัน ทิ้ไว้สักเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะตกตะกอนนะเนี่ยตกตะกอนจิตเราเราทำนิ่งๆเนี่ยมันจะตกตะกอนนะมันจะนิ่งแต่มันอยู่ข้างในแต่ไปขยับแรงไม่ได้นะน้วนี่พอไปขยับแรงมันจะฟุ้งขึ้นมาเลยนะนะฟุ้งนี่ดีไหมคนเท่าไหร่มองว่ามันไม่ดีมันฟุง้งก็เลยไปนิ่งๆนะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะเราขยาัาแต่ในคดีเราเปิดฝา เปิดฝาก็คือเปิดจิตเปิใจหน่อยแล้วเขย่าตัวเองให้มันเกิดเลยกิเลสเนี่ยมันง่วงมันเงามันเบื่อมันไหนมันคิดเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเราหยดน้ำเปล่าใส่เรื่อยๆๆๆๆมันจะออกไหมแต่ก่อนที่อยู่ที่มันมันฟุ้งขึ้นมาได้ออกไหมออกแต่ต้องหยดให้มันตรงรูนไม่จิตหยดตรงนี้นะสร้างจังหวะนี้ให้หยดใี้ตรงจิตนะไม่ใช่สร้างจังหวะแล้วไปคิดอยู่บ้านนูนะมันไม่ออกนะมันเพิ่มเติมเข้ามานะไอ้นั่นแต่ต้องหยดลงไปหยดลงไปเรื่อยๆเลยแล้วหยดให้มันต่อเนื่องด้วย ต่อเนื่องก็คือระลึกรูๆต่อเนื่องนั้นเวลาเขาตรวจน้ําอุทิสศส่วนกุศลเขาบอกว่าหยดน้ำนะหยดให้มันต่อเนื่องออกจากปลายนิ้วก็คือออกจากใจจริงๆหยดลงไปหยดไปๆๆๆๆๆไม่ใช่หยดนิดนึงในงานที่ไม่หยดอีกไหม่เขาให้ทําต่อเนื่องคือรู้สึกตัวในเขาให้ทําให้ต่อเนื่องในเองหยดไปที่ไหนหยดเข้าไปที่ใจใช่ไหมหยดไปใส่ใจเราเน่ะพุทธศาสนาเป้าหมายนิดเดียวคืออันเดียวคือให้ค น, นถึงนิพพานได้เฉย พูดอะไรก็ตามประเพณีพิธีกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้คนพ้นทุกข์นั่นเองแต่เราไปนึกว่าทำบุญให้คนตายนะอธิษมเมกิมยะติมิตาสกจะมีเบ็านาตติรังตจามตรวจน้ำนะเราเคยสวดนะยากอย่างนั้นตายแล้วเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ทานนี่ก็ให้ประสง์สุปฏิทิฐิสังคมีสุปฏิทิฐิทกา่อ ทานให้พระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นพระสงฆ์แต่พระสงฆ์นี่จะได้ประโยชน์ในการที่เข้าถึงธรรมะเอาไปกินแล้วไปปฏิบัติธรรมกิดกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาคืนสู่สังคมก็คือสอนโยมให้รู้แจ้งคือพระพุทธเจ้าท่านก็นจะไม่พูดถึงเรื่องเรื่องว่าคนนี้ได้รับทานตรวจน้านไปอะไรจะไปขึ้นสวรรค์ขึ้นเลยจนจ้ะนีมันไม่มีมีแต่ตำรล า, ลางหลังที่ไปแต่งเติมคําสอนพระพุทธเจ้าตนนัวนี้นั้นอย่าไปกลัวว่ามันจะเขยา่าถ้าเขย่าอย่างนี้ แล้วไม่มีเติมสติลงไปในอย่างแล้วถ้าเราทําสมาธิเราจะไม่อยา่างหมดฟุง้งเพระเราไม่เติมสติไงแล้วไม่ได้ฝึกสติเราทําสมาธิเราจะ จ, จะไม่ลืมตาลืมหูขึ้นมาเพราะลืมตาลืมหูขึ้นมาแล้วมันจะคิดเยอะเราก็จะปิดไว้ให้มันนิ่งๆนี่นีเก็คือมันจมเป็นตะกอนนั่นแหละบางทีคนบางคนตะกอนเพียงคอนี่นะคอขวดนี่นะบางทีนี่ขยับเลงไม่ได้ไปแตะหน่อยไม่ได้นะฟุ้งแต่ดีนะ ง, งุดหงิดอึดอัดขัดเขืองแต่ดีนะ บางทีตะกอนมันเยอะกลับไปบ้านก็ทำโอ้ยคุณแม่ไปปฏิบัติธรรมมาขอแขวนปีแขวนหางหน่อยนะไปนิพพานน่ะนะมึงยังมาว่ากูนักถีบนะ่นนี่ไตะกอนมันฟุ้งมาเยอะเกินไปอะ่ะขอให้มันออกให้มันลดบ้างนะให้มันปล่อยมันวางแต่ถ้าแบบเรานะเราขยเยาเลยนี่เดินจะกมแม่มันก็ไปเลย กระเทือบท้าเขาไปเล่นเขย่าเลยเอามันจะฟุง้งฟงแต่เรามีวิธีการนะคือจะหยดน้ํานี่ใส่แต่ถ้าเราไม่เขยา่าดิมันไม่ออกไงเนี่ยถ้ามันนิ่งนิ่งอยู่นี่มันตะกอนมันเป็นลูกขวดอยู่ข้างล่างนะเหมือนเขาเป็นเป็นนิ้อนะ่ะหยดลงไปทีละน้อยแล้วน้อยนอยี่มันจะออกไหมตะกอนมันแข็งเลยมันไม่มีทางออกหรอกยิ่งนิ่งเท่าไหร่มันก็ไม่ออกมันออกแต่น้ําข้างบน นั้นคนที้ไปปฏิบัติธรรมดูนิ่งจังนะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วนิ่งดิ่งดีแต่พอออกจากสมาธิมาทอนนั้นแหละแตะไม่ได้นะเป็นคนโกรธเป็นคนโทสะเรื่องตึงตังใส่คนนั้นคนนี้เนะี่ยพร อ, อะไรพราตะกอนมันอยู่ข้างล่งมันไม่ออกไงมันติดแต่สงบคือให้น้ามันนิ่งเฉยเวลาเดินเวลาขยับก็ค่อยๆกลัวมันกีดจะหลุดเนี่ยอันนี้เราไม่กลัวนี่เนะี่ย มันสัส่นสไวลอยเลยนี่ให้มันเคลื่อนไหวเลยจะได้เห็นมันไหนเห็นมันเข้าออกก็กูโกรธขึ้นมาแล้วนี่ก้าออกโอ้กูเบือ่อนลนี่เอาออกโอ้ตัวนี้ตัวคิดนะนี่ออกเนี่ยเวลากินเห็นนทีนี่โอ้ยอันนี้กูไม่ชอบนะนี่โอ้จิตไม่ชอบเลยนี่จิตเป็นทุกข์นันี่ก้าออกถ้าอยู่กับปัจจุบั น, นทำเรื่อยเืยเห็นเรื่ๆๆนี่มันก็จะออกได้ แั้นบางทีวิธีการของพุทธธรรมในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่พูดให้มันสลับซับซ้อนและไม่มีพิธีกรรมอะไรที่มันมาทับไปมากการปฏิบัติธรรมจึงเข้าถึงทำง่ายเวลาไปบวชก็ไม่ต้องรับศีลมะยังพันเตวิสงวิสงแล้วมาขอกับพระขอได้ยังไงอ่ะขอมาก็หมดดิพระนี่เอาทุกวันทุกวันศีลหมดพระเลยสึกหมดเดี๋ยนี่พอโยมไปขอกันจังแต่เนื่องจากว่ามันไม่มีในพระมันไม่ได้มีสิศี์ นัสมาทานคือมาขอก็สมมติกันตามเรื่องตั้งใจดีฉันจะตั้งใจปฏิบัติหน้าพระก็ถามว่าจริงไหมทุติยมปิเม่ครั้งที่สองก็จริงค่ะจริงหรือเปล่าตัติยมปิครั้งที่สาจริงค่ะประมาณนั้นตั้งใจนะค่ะอามะพันเตนี่ก็พูดเล่นๆหัวหัวกันนั้นก็เมาตั้งแต่รับสินเสร็จนี่แหละบางทีอะไรอ่ะทําอะไรกันน่ะเล่นๆหยอกๆหัวหัวกันไปตามเรื่องใช่ไหมพุทธธรรมมันไม่ได้เป็นแบบนั้น นั้นเดี๋ยวนี้เราจึงทําเล่นมากไปนะี่ยทาเล่นกับเรื่องที่จริงจังแต่ไปจริงจังกับเรื่องเล่นๆ เ, เตรียมงานบุญงานทานเตรียมไปหลายปีนะแต่เรื่องวิปัสสนานี่จริงๆมันนิดเดียวเรื่องกายเรื่องใจเราไม่ค่อยใส่ใจนั้นอย่าให้เราใส่ใจอะไรที่มันเป็นประเด็นของพุทธธรรมจริงๆพุทธธรรมคือทำให้รู้ตื่นบอกว่าจริงจริงอยู่ว่านเลย่องรู้เฉยๆเนี่ยโอ๊ยก็รู้แจ้งไลยแล้วตื่นมาก็ะทำความเพี้ยนนี่ยตุธิพันธ์เอาวัดไปไว้บ้าน นะตื่นมาวัดดูตัวเองอุณภูมิในตัวเองขึ้นสูงขึ้นลงต่ําเป็นยังไงโกโรธโลภหลงเป็นยังไงติดอารมณ์มาเยอะไหมไปทํางานวันนี้หงุดหงิดมาตั้งเยอะยังโกรธมาพานกับลูกกับเมียกับปัวยไงแสดงว่าไม่ค่อยดีอ้าวมาวัดเดินจุก้กมสลายมันเหมือนกระโทนท่านี้พอใส่ปุ๊บเอาไปล้างใส่ปุ๊บล้างล้างทุกวันมันสะอาดได้ใส่ข้าวกินได้ไหมได้ไหมได้นะ พราเราทําสะอาดแต่ถ้าคํามาติดชื่อมันกระโจนนี่ใส่ข้าวกินไม่ได้นะกระโจนแต่ถ้าล้างสะอาดไม่มีปัญหาใจก็เหมือนกันถามว่าไปติดอารมณ์มาจากงานจัดการน่ะติดความรักความชังความกู่ความกลกดกลับมานี่ล้างบ้างไหมไม่ได้ล้างมาแล้วกนอนเลยบางทีก็ เ, เอาตะขอมาทับอีกว้ถ้าอีพระเอกนะมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ถูกใจกูเลยนะเนี่ย เห็นโจร ว, วิ่งมากระเทาเขาทำภาพสโลโมชันมาเดินชาร์เฮ้ยเห็นไหมเนี่ยโจรมาจะาทันแล้วทำไมไม่วิ่งไวๆเขาสแสดงไงต่อไปนี่ขอเชิญชมละครเขาก็บอกอยู่ตัวเองน้ำตาไหลย้อยละครไม่ได้ยินเลยคขาว่าละคร น, นะแต่ใจมันก็หลุดออกไปหมดไงมันเข้าไปในอารมณ์หมดแล้วเวลาเขาเล่นดนตรีเขาก็เล่นกิดจา ก, กเสียเงินเขาไปดูเห็นไหต่อไปดูดนตรีนะทํ า, ทา ง, นนงินเลยแล้วก็ชอบใจ บางแห่งปฏิบัติธรรมมีดนตรีด้วยดนตรีสนุกสนานพกลุงตาเ พ, พิ่งขึ้นมาจากกรมประชาสัมพันธ์เขาไปสแสดงงานมีดนตรีอีกค่งางดนตรีเพลงพุทธทาสนะเขินเข้าชมครับฟังโอ้ยลุงตาว่าเบื่อหนายเอาเถอะเดี๋ยวจะเข้าไปฟังตอนพระเทศเดินเข้าไปฟังหรอกตอนดนตนรีนี่พาคเล่นไปแซ่ยโอ้ยลุงตาเข้าไปฟังหน่อยมันไม่มีคนเอาไปเข้าไปไม่มีคนก็ต้องเขาไปดูไปดูช่วยเขาไปตามเรื่อง ศิลปินระดับประเทศแสดงไอ้เท่านั้นนี่อ้าวฟอนแบบรู้สึกตัวมันไม่รู้สึกหรอกลงตาว่าตามันก็ไปดูความสวยความงามนั่นแหละมันยั่วยวนเนาะมันจะรู้สึกอะไรนะตามจังหวะแบบนั้นแบบนี้ธรรมะธรรมะมันก็ว่าไปตามเรื่องนะอะไรก็ตามที่ทําให้มันเพลินหูเพลินตาเพลินใจผู้หญิงเนี่ย เป็นสิ่งสวยงามมากที่สุดสําหรับเพศตรงข้ามสาหรับผู้ชายนะสําหรับผู้ชายไม่มีอะไรที่สวยเท่ากับผู้หญิงผู้หญิงก็มองผู้ชายสวยกว่าดอกไม้สวยกว่าอะไรทุกอย่าง่ะคือจิตมันเป็นแบบนี้แล้วเราไปทําให้มันใกล้กันมันยิ่งหนักเข้าไปอีกไม่ใช่ตันตรายานนะเนี่ยนะมันจะมีผู้ศาสนาหนึ่งวิวัฒนาการมาแบบแบบความสวยความงามแล้วเรื่องการเรื่องอะไรไปสู่ละที่ของตันตรายานความสืบเนื่องอะไรน่จ้ะเนี่ยซึ่ง ซึ่งไม่จเป็นต้องออกมาพูดให้ฟังนะนะคือมันกว้างบางคนไปไปพัฒนาเรื่องเรื่องแบบโลกีเป็นโลกุตระก็มีนะแต่ว่ามันเสี่ยงเพราะมันเสี่ยงมันก็สูญสลายหายไปในพุทธสที่เก้าที่แปดเนี่ยมีแบบนั้นด้วยแล้วเราต้องหลายนะ อะไรก็ตามที่มันไม่ไม่อะไรเท่าไหร่เนี่ยเออมันพอไปอยู่ได้พอประอบอย่างในเมืองอย่างนี้ที่ปฏิบัติทตําล่นตาถือว่าดีที่สุดละดีแล้วแบบนี้ก็ถือว่าดีอ่ะนะแต่เพิ่นว่าเราทั้งหลายเนี่ยไม่ปฏิบัติในห้องอเพราะอะไรเพราะกลัวง่วงนะกลัวขวมว่วงเรามองไปที่ขม่วงแต่วิธีอื่นเนี่ยเขาจะนั่งสมาธิกันหมดเนี่ยเขาไม่ได้กลัวหรอกแดดเดือดอะไรประมาณนี้เพราะเขานั่งก็หลับไปแต่เรามองเห็นว่าปัญหาเป้าหมายคือเราจะทําลายความหลับ เราเลยต้องเดินเนาะบางคนเขากิงแลนะเดินตากแดดเลยนะะเดินตากแดดเลยแต่บางคนนี่ไม่กล้าตากแดดกลัวฝ้าขึ้นเพาะ้าคุมโอ๊ยหนักแล้วจะออกจากกิเลสได้เลยออกจากทุกข์ได้เลยนะมันยากลําบากแล้วาเดินไปดูคนนั้นคนนี้ปฏิบัติธรรมที่สํานักโน่นเท่านี้ดูคือดูออกนะว่าใครรู้ไม่รู้คนเข้าใจไม่เข้าใจ เขาใจน้อยใจมากเรามาที่นี่ก็เหมือนกันน่ะขยันทำรรขยันลึกลกรูนะ้ทำให้มันต่อเนื่องให้มันเป็นอตรตมาก็ใช้ชีวิตบวชมาปฏิบัติธรรมมานี่ก็ได้ได้สามสิบกว่าปีอะ่นะในนี้ความคนอาจจะไม่เกิดได้ซ้ำไป ชีวิตก็เป็นแบบนี้ใช้ร่างกายสังขารมานั่งเทศมาอะไรคนอยู่แบบนี้นะจนว่าจะเป็นอามาพอามภาตไปหมดแล้วแข้งขานี่นะเพราะมันนั่งท่าเดิมไปหาหมอก็ว่าต้องเปลี่ยนอยาบด์นะต้องอยู่สบายต้องพักผ่อนบ้างนะมันพักผ่อนไม่ค่อยได้อะว่าหนึ่งถ้านั่งสมาธิอยู่ในห้องเอา้าข้างนอกมันก็คุยกันมันหลับไปหมดแล้วมันจะไปหลับได้พักผ่อนได้หรือนะก็ต้องช่วยก็คิดว่าชีวิตที่เกิดมาม ให้คุ้มค่านะะใช้ชีวิตในคุ้มค่าตายไวก็ดีเพราะอะเพราะว่ามันอยู่ไปก็อยู่แบบนี้แหละอยู่แบบรักษาร่างกายไปวันวันนั่นเองขึ้นมาก็จะดีหน่อยก็หากินนะเนี่ยเอากินมาให้มันให้มันพอคลองอยู่ได้ขนาดกินแบบไม่มีรูปร่กินเสียงนะเนี่ยแบบสบายๆนะเนี่ยมันก็ยังถือว่ายากลําบากอีกหน่อยก็พามันเป็นนั่งพามันเป็นนอนเนี่ยนะ ไม่นั่งไม่นอนก็ไม่ได้ตื่นมากับมาทำสมาธิมาแล้วร่างกายนี้ก็แก่เจ็บเป็นโรคนั้นโรคนี้เพิ่มขึ้นสนุกหรือกับการมารักษาแล้วมาเฝ้าดูมีแต่โรค ก, กับโรคอยู่เนี่ยชีวิตเนี่ยเจ็บป่วยโรคหูโรคตาโรคจมูโกโรคแก่โรคชราพวกเนี่ยมันไม่ได้สนุกนะมันมีแต่ทุกข์กับทุกขนะ์นชีวิตนี่ยมันไม่ได้เพลินจะมาล่ํามารวยอะไรนะชีวิตเนี่ย จะมาแสวงหาลาบยศสารเสริญชื่อเสียงเอาไปทําไมอ่ะมันไม่ได้มีอะไรขึ้นมาในชีวิตอันนี้ได้มาแก่แก่ได้ไหมไม่ได้แก่เจ็บได้ไหมแก่ตายได้ไหมแก่ไม่ได้สักอันก็เหมือนเดิมนะเสื่อมสลายตามผลของอนิจจังทุกอนัตตาเะฉะนั้แต่เฝ้ารอมันไปเฉยๆแล้ตายวันไหนน้อตายวันไหนนอ้นตอนนั้นเองก็จบไป มันไม่ได้ผูกพันกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองวัดวาอาวาดอะไรนี่แนนี่เกิดมาเธอเนี่ยดีอ่ะดีต่งไหนดีตรงที่อา้าวได้ประโยชน์ต้องมองย้อนกลับหลังเลยโอ้ยถ้าร่ำรวยแบบโยมเนี่ยตายน่ากลัวมากโยมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยร่ลำรวยมีลูก มีผัวมีเมียมีทรัพสมบัติมีหน้าที่การงานตายอันนี่ยากโยมยังมาปฏิบัติทําได้หลวงตาก็อัดสัจ จ, จันท์อยู่นะถ้าเป็นหลวงตาเป็นอย่างโยมอาจจะมาไม่ได้อาจจะมาไม่ได้จจะไไดนะพระตั้งหลายตั้งพวงถ้าไม่บวชนี่อาจจะแย่นะตกเป็นทานผัวเป็นท่านเมียท่านลูกอุ้มอยู่นั่นแหละลูกแจ้งลูกจ่าลูกแจ้ลูกจับป่ า, า, า, ปา น, นี้นะ ไม่มีโอกาสนะั้นได้มาสร้างจใจว่ามาเดินจักรมมานั่งเหงานั่งหลับให้โยมดูทําไม่ไดนะ้อาจจะมีลูกสองผัวสามหรือบางทีก็เมาอยู่แบบนี้ก็ได้นะเล่านะอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วที่มีแบบนี้ให้ชีวิตแล้วเนี่ยดงนั้นเราใส่ใจอะไรเป็นเป็นพุทธอะไรเป็นพรามอะไรของจริงของปลอมชีวิตเนี่ยอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรสังเกต แลลืลึกจะพิกลัวความทุกข์โยมมันจะทุกอยู่ดีแหละชีวิตเนี่ยนะทุกวันนี้เพื่อออกจากทุกแต่ถ้าสุขแบบโลกโลกเนี่ยแต่เพื่อเป็นทุกขรั้งหน้านะสนุกสุขสนานสนุกสนานสุขสบายแต่ผลสุดท้ายทุกทุกเพาะความคิดไงเห็นไหมแต่เกิดมา ส, สานุกสนรนแล้วก็วิ่งหาเงินหาเงินมาถึงปัจจุบันนี้เป็นยังไงแก้ทุกข์ได้หรือยังไม่ได้ยังทุกอยู่ยังคิดอยู่ยังปรุงแต่งอยู่ยังอึดอัดขัดเครื่องยังฟุ้งซ่านยัง ซาลาพัตจะเป็นมีลูกมีหลานเป็นอะไรล้วก็คิดมากเนี่ยบางคนยังอยากได้รถอีกต่างหากแก่แล้วก็อยากได้คันนั่นคันนี้มีไหมเคยซื้อมือสองแล้วซื้อมือสามมีไหมไม่มีเลื่อนระดับขึ้นมือหนึ่งนะป้ายแดงป้ายขาวอะไรนะี่ยเข้าไปเรื่อยๆนะมันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆความอยากมันสูงขึ้ น, ส, นสูงขึ้นเรื่อยๆมีไหมเฮ้ยอุปฏิบัติสํานักนี้มันอ่อนไปว่ากูจะมุ่งหาสํานักหน้าที่เข่งขึ้นไม่มี น่ะไม่กูน่าจะพอแล้วค้อนน่ะกูไม่เอาอีก่ล้วไม่ไหวแล้วนี่มิเตะจะอ่อนลงเรื่อยอ่อนลงเรื่อยน่ะมันมีน้อยคนนะที่เขาก้าวย่างเข้าแล้วตอนนี้กูเรียนราชพัฒนต่อไปกูจะเข้าธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยนะมันยากส่วนว่ามันถอยอ่ะความรู้มันอยู่แบบนั้นน่ะมันมีมาตรฐานของการสอนของเขาการฝึกของเขาไปอยู่ในที่ที่มีระดับเกจิลองดูดิอื่นไม่มีทุกคนขยันขั้นแข็งเนี่ย เราไหวไหมลงไปเทียบรัศมีดูดิไปดูดิไปฝึกอยู่ที่บราซิลดูดิเห็นไหมทีมฟุตซอลไทยเนี่ยเขาไปฝึกอยู่บราซิลไปเล่นนะคุณอดีศักดิ์เบญจศิริวัลเอาไปฝึกพราะอะไรถ้าอยากเป็นแชมป์โลกนะต้องไปฝึกกับคนกลุ่มนั้นเขามีแท็ติกมีโน้เมนี่เหมือนต้นไม้ต้นเล็กๆถ้ามันไปโตอยู่ในป่าใหญ่ๆมันต้องโตเหมือนป่าใหญ่ๆมันถึงจะดี มันถึจะเท่าขเขาแต่ถ้ามันไม่โตตาย น, น, นัเหมือนกันคนปฏิบัติธรรมถ้าคนไม่เข้มแข็งแต่ไปอยู่ในสำนักที่เขาเข้มแข็งถึงแม้ไม่เข้มแข็งเขาอยู่อันดับท้ายแต่ไปอยู่ในสำนักอื่นที่ที่เขาไม่เข้มแข็งมันจะอยู่อันดับหนึ่งโดยทําไปฉั้นมันต้องกล้าท้าปลัศมีปฏิบัติธรรมเนี่ยคนไหนตั้งใจปฏิบัติไปอยู่ใกล้เขาแต่ไม่ใช่ไปถามเขานะไอ้คนที่กําลังเดินดีกวามันกลังติดวิปัสสุงก็อยากเทศเหมือนกันนะอย่ามาอยู่ใกล้นะไอ้ประมัน ไปอยู่ใกล้เขาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อคนที่ขยันกูก็จะขยันนะเอาเขาไม่นั่งกูก็ไม่นั่งอย่างเงี้ยได้เขาเดินกูจะเดินเขาสร้างจังหวะทั้ง ว, วันกูก็จะสร้างจังหวะอย่างเงี้ยได้อันนี้มันพวกโง่โงมันก็จะไปอยู่กับพวกโงนะ่โง่นะอว้ยตอนนี้อีตาอันนี้แข็งขันจัง น, นะเดินทุกงทั้งวันกูจะอายว่ะไปขยับไปทางโน้นดีกว่าเนะนี่ยไปอยู่กับไอ้พวกโง่โ่ทางโน้นเพราะมันหลับไม่ไมีกลุ่มนะทางโน้นเป็นยังไงบ้โอ้ยง่วงเออถ้างั้นก็ขยับมาตัว น, นี้ก็แล้วกัน หลับด้วยกันในพักผ่อนสักหน่อค่อยไปเนาะอย่านี้นะพวกกินเหล้าก็ไปหาพวกกินเหล้าพวกขโมยก็ไปหาคนกขอมยพวกติดสูบุหรี่ก็ไปหาพวกบุหรี่พวกขี้เกียจขี้ขันก็อยู่กับพวกขี้เกียจขี้ขันนะนะมันสงเคราะห์กันเข้าสร้างข้าวโอ้อสั้างข้าโอสังข้าวหินอสรงขาวหินดังพวกโง่ก็อยู่กับพวกโง่พวกฉลาดก็อยู่กับพวกฉลาดคนฉลาดไปหาพวกได้เจ้าคนโง่ก็ไปอยู่กับพรามกับผีกับอะไมันเป็นธรรมชาตินะเนี่ยคนติด อ้นนี่เลก็ก็ลาบก็ไปอยู่ไปพวกงมงายก็ไปหาพระงมงายไปคนจริงก็ไปหาพระจริงไปคนปฏิบัติคนขยันกันแข็งเขาเขาไปอยู่ก่บที่ปฏิบัติที่ขยันกันแข็งมันเป็นโดยธรรมชาติโยมเอ้นในนี่ก็ได้สักเอสักสองคนก็ว่าบุญแล้วเนี่ยที่จริงจังหนะนะรอดไปถึงวันสุดท้ายได้น่ะแต่ก็น่าจะรอดอยู่นะโร้าจะถามว่าอยู่ได้ตลอดไหม ได้ได้เขายังชวนนะน่าจะได้นะดูมันได้เลยโยมโเมื่อกี้อบรมอยู่ที่เชียงใหม่โยมผู้หนึ่งปฏิบัติธรรมเข้ามาจากสันติอโศกก็ยันกินเจกินอะไรโดยปฏิบัติธรรมแต่เข้าใจเขาเปิดนะใจดีลูกเขาก็ส่งเรียนมหนึ่งซสามเจี๊ยหกอยู่สันติอโศกคนน่ะเขาเป็นคนเขามีตัง ปฏิบัติธรรมไปสีห้าวันเขาเข้าใจอะไรขึ้นมานะกลับไปโทรศัพท์เอาลูกมาลูกทำงานอยู่สสสสำนักงานส่งเสริ ม, มพวกเก็บเบสีเหล้ายาเบียพวกเนี้ยลูกต้องมาปฏิบัติธรรมกอนรู้ตายได้ในคอร์สหน้าทันจีเปิดล้วขึ้นมานะอน่นลูกก็ไม่รู้อะไรเล่งขึ้นมาทันทีแม่เจอของจริงแล้วอะไรต้งมาปฏิบัติธรรมรีบขึ้นมา พอขึ้นมาหลวตาทำอันนี้ของจริงหรือของปลอมเอามานี่ของจริงหลวงตาเนี่ยเขาฝึกธรรมะมีรับศีลมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กจนป่านนี้งพอไปเด็กจะกรมหัวฟาดหัวเวี่ยงอยู่นั่นแหะคนหนุ่มนะคือปกติหลวงตารับคนปฏิบัติธรรม ต, ตั้งแต่จบปตีตั้งแต่เรียนปตีขึ้นไปปฏิบัติธรรมเลยแต่ถ้าเด็กก็ได้แต่ขี้เกียจเอาใจใส่เท่นั้นเ แต่ถ้าผู้ใหญ่เดมันง่ายหน่อยจเจ้าหรือไม่เอาเอาเอาปฏิบททัติธรรมบนี้มันก็ปฏิบัติเลยแต่ถ้าเด็กเนี่ยมันต้องเปลืองนิทานนั่นนันี่ น, น, น, น, นี่อยู่นั่นแหละยอมใจยอมอะไรของมันอยู่มันยากเอาไปมาตั้งใจปฏิบัติลูกชายปฏิบัติไม่ค่อยได้อะไรเขาบอกว่า เขารู้แล้วว่าจิตเขานี่อ่อนแอเกินไปที่จะฝึกแบบนี้มันอ่อนแอนะชื่อเขายอมรับนะจิตอ่อนแอเกินไปที่จะฝึกแบบนี้คือมันง่วงมากแล้วมันเบื่อแล้วก็คิดเยอะรู้สึกว่าสิ่งที่ผ่านมาถือศีลถืออะไรมาไม่ได้ช่วยเลยไม่ไม่ช่วยให้จิตเข้มแข็งเลยเดลติโกมกับเด็กเล็กๆ เ, เขาก็ง่วงมากกว่าคนอื่นเขาเขาเป็นคนคิดมากอดีตอนาคตเขาถ้าลงตา ให้คุญเจรถก็ดีหรือว่าวให้โทรศัพท์คืนก็ดีเขาหนีกลับบ้านแม่เขาอุตส่าห์ฟากอย่างดีอย่างดีนะนะแล้วใส่ซองให้ด้วยลุงตาช่วยติวเข็มให้หน่อยนะมามานะลุงตาเขเอาแม่เอาไปให้แม่ครัวนู้นนะให้เขาเลี้ยงกับข้าวลูกชายโยมนั่นแหละแต่ก็ว่าจะว่า พระเขาถามว่าจะมาอีกไหมองอนหน้ามัึงคิดดูก่อนนะ <c oughs> คิดดูก่อนถ้าว่าอะไรถ้าแม่บังคับให้มาเหมือนงอนนี้นี่โทมเบนไม่รู้ของไม่มาต้องเกิดจากใจแหละต่อไปเนี้ใจมันก็คือมันไม่มาอะไรมันเป็นธรรมชาตินะจิตเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญานะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนงมงายเขาเหอาเขาไปตามวัดตามวานะต้องเป็นคนจริงคนจัง ยาโยมก็เหมือนกันแหละตั้งอกตั้งใจนะฮะหลวงต่เราให้ฟังว่าตรงนั้นตัวนี้เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนะี่ยกรรมฐานเนะี่ยแต่ในประเทศไทยมีสองอันหลับตาท่นี้เรารู้แต่พุทธโทรกับพองยุบนอกนั้นไม่ค่อยรู้นะแต่ที่จริงเขาเปิดกว้างมากปูุนะเจประังพิกเวปิกโคปิกสูทั้งหลายอย่างอื่นยังมีอยู่อีกอย่างอื่ น, น ม, มันมีอย่างอื่นอย่างอื่นคือการเลลึกรู้มีมากมายนะ ขอแต่ว่าคุณจะเรลลียนรู้กับอะไรนะคุณกระดิกนิ้วเท้าเฉยเฉยก็ได้ทําอะไรก็ได้แต่ให้ต่อเนื่องแล้วให้ผ่านตัวง่วงตัวเหงาตัวเบื่อตัวหน่ายไปวันหนึ่งให้กลายเป็นสมาธิให้ได้เรียนรู้อยู่ปัจจุบันให้ได้แต่ส่วนมากาเราทำวันละน้อยไงมันก็เลยไม่เกิดอะไรขึ้นมานั่นก็เลยอยากชวนทําทําจริงๆอย่างทั้งวันเลยเป็นยังไงที่นี่ไม่ใช่สนามจําลองของกิเลสนะแต่มันเป็นสนามจริงของกิเลสกิเลสมันเกิดที่จิตจริงๆนะแต่ละวันเนี่ย เอาออกไปทางโลกกีเรีนมันเกิดที่ไหนฮือก็เกิดที่ใจเหมือนเดิมอะเราไปเจอค น, นคนนี้ก็เกิดที่ใจมาปฏิบัติธรรมนี้ก็เกิดที่ใจอย่างความคิดคิดถึงบ้านเนี่ยมันทําจริงๆเลยไม่ใช่บอกว่าเอ้ยปฏิบัติที่นี่อาจจะได้ข้างนอกคงไม่ได้ไม่ใช่ถ้าทําใจได้ที่นี่ข้างนอกก็ทําใจได้เบนเว่ยแต่ที่นี่ก็ทําใจไม่ได้ข้างนอก ALK มันก็ทําใจไม่ได้เพราะทําที่ใจไม่ได้ทําที่คนอื่นพุทธธรรมเนี่ย วันๆนี้จะได้ยินได้ฟังตรงนั้นตรงนี้บ้างอะไรนี่จ้ะบางทีเปิดเทปบ้างเปิดซีดีเปิดอะไรให้ฟังเพื่ออะไรเพื่อให้ใจมันบางคนบางมันเอาจริงเอาจังเกินไปน่ะเดี๋ยวมันจะเพี้ยนบางทีแต่บางคนทําเล่นเกินไปบางทีมันก็เครียดบางทีมีปัญหามากมายหลากหลายมันเหมือนลงพยาบาลบ้านะนี่น่ะนะที่กําลังจะรักษาก็าเรียกว่าโรคจิตวิญญาณต่างคนต่าง เป็นโรครักโรคช่างโลกโกรธโลกเกียดโด ค, โ ค, โคอะไรเนี่ยก็ฝึกฝนอบรมกันไปตั้งใจนะศึกษาปฏิบัติ